เมื่อเช้าคุยสนทนาเรื่องพระสูตรสูตรหนึ่งพระสูตรอะไรชื่อสูตรอะไรมาถูกอิปินที่กาสิโอ้จำได้อยู่วิเคราะห์พระสูตรให้เห็น<ม>ว่าสราระของพระสูตรนี่หมายถึงอะไรก็ยังลงรายละเอียดไปได้ค่อนข้างไม่มาก พ่ออะไรก่อยๆเลอก้็พูดถึงเมื่อเช้านี้พ yep ูดถึงในเรื่องของมาทูปินนะหรือปินทิกะสูตรก็มาจากคำว่ามาทูปินทิกะสุตัง มาทูสับหนึ่งปินธิกาสับหนึ่งแล้วก็สุดตังปินธิกาสับนั้นมาจากคำว่าธรรมเทศนา <c oughs> มาทจึงแปลว่าไพเราะก็ได้แปลว่าหวานก็ได้จ้ะแปลว่าอร่อยงามมาทุ <c oughs> แล้วคำว่าสุดตังแปลว่าสูตรเนี่ยพระสูตรเนี่ยหรือพุทธพจน์เนี่ยหมายถึงอะไรเนี่ย สูตรที่หลังเนื้อความออกมาใช่ไหมหลังเนื้อความออกมาจึงกลายเป็นว่ามัทุปินทิกะแล้วก็สุดตังรวมกันจึงเป็นมัทุปินทิกะสูตรทีนี้ครัว่ามัทุปินทิกะสูตรก็จึงแปลว่าแล้วก็มีทำยกคําว่ารำมเทศนาเข้ามาด้วยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเนื้อความที่เป็นอนัฏฐนัย คือการศึกษาเนี่ยผู้ที่ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าปรารถนาอยากจะได้อัธรสเพื่อจะพัฒนาสู่ธรรมรสอัถาคือเนื้อความธรรมรสก็คือได้ดื่มด่ารสแห่งวัฒธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารสแห่งวัฒน์บัณฑิตที่รู้ผู้รู้อัดทั้งหลายแห่งวัสูตรเขาก็กล่าว ร, ระสูดุก็มีอัดอยู่6อย่างถ้าคนศึกษาพระไตรปิฎกมาก็าจะจ่อเอาสูตรตรงเนี้มาดื่มด่า อย่งยกตัวอย่างเช่นเพราะประกาศหรือเพราะเพราะแสดงถึงประโยชน์พระสูตรอย่างมัทโปินทิการสูตรหรือพระสูตรอื่นๆทั้งหลายแล้วก็จะจับไปที่ประโยชน์ว่าอันนี้เป็นทิฏฐธรรมิกะทประโยชน์หรือสัมปรายิกะทประโยชน์หรือปรมัตทประโยชน์ถ้าเป็นทิฏฐธรรมิกะประโยชน์ก็คือประโยชน์ที่ตาเห็นสัมปรายิกะก็ประโยชน์เลยตาเห็นถ้าปรมัตทบประโยชน์ก็ประโยชน์สูงสุดมัทโปินทิการสูตรนี่เป็นพระสูตรที่ขับเน้นถึงประโยชน์สูงสุดเลย นะแล้วก็เพราะเป็นคําเพพดํมบารดของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วทุกอัฏฐทุกพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครอบถ้วนมีความงามเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทุกซอกท้อยวลีเนี่ยตรัสไว้ดีหมดจดมากเนะียคำสอนพระเจ้าเป็นเงี้แล้วก็เพราะผลผลิตประโยชน์ก็คือนําประโยชน์มาให้ไม่ว่าจะประโยชน์ตาเห็นเลยตาเห็นเป็นต้นเลยประโยชน์ตนประโยชน์ชนบุคคลอื่นเป็นต้นแล้วก็หลัง หลังอัฏฐคือประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เป็นที่ต้านทานไอตรงนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าเราเนี่ยมีกิเลสใช่หหรือทุติริทั้งหลายเนี่ยเป็นข้าศึกภายในเพชฌฆาตภายในศัตรูภายในมองเห็นไมแต่การที่เราได้หลังหรือพระธรรมของพระเจ้า เ, เมื่อฟังปุ๊บมันได้ศรัทธา ฟังพบแล้วได้ความเพียรฟังพรบแล้วได้สติฟังแล้วได้สมาธิฟังแล้วได้ปัญญาก็เลยได้ธรรมะเทศนาได้ธรรมะเนี่ยได้ธรรมะเหล่านี้เข้ามาประชมุมก็เลยต้านทานราคะโทสะโมหะนี่เป็นเครื่องต้านทานที่จะนํานพากระแสชีวิตเข้าไปสู่ความสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์นี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้เพื่อเป็นที่ต้านทานอย่างดี แล้วก็เป็นพร่อมีส่วนเปรียบด้วยเส้นได้บรรทัดตรงพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นมันชฌิมาปฏิปทาเป็นทางดําเนินเป็นเส้นทางเป็นเหมือนเปรียบเหมือนเส้นได้เส้นบรรทัด ท, ที่ตรงสู่อนุ ป, ปาทา น, นิปิพานไม่เอียงเข้าสู่การวสุขาริการุโยคอัตถกิรมาฐานุนโยคใช่ไหมไม่ไม่เหมือนพระจันทร์ครึ่องเซี่ยวไม่เหมือนกระหางไถไม่เหมือนปัสสาวโคอย่างที่ว่าน ไม่เอียงก็สู่อัตกิรมาฐานุโยโกไม่เอียงก็หาสัจสทัทิฏฐิไม่เอียงก็หาอุเฉตทธิฏฐิไม่เอียงเข้าหาตันหาไม่เอียงก็หาทิฏฐิอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าไม่เอียงเข้าหาทิฏฐิตันหาและทิฏฐิไม่เอียงก็หาพวกุศลและสังขารทั้งหลายหรืออกุศลสังขารที่เหลือให้เป็นมชิมาปฏิปทาแท้เป็นทางดําเนินเป็นเส้นทางที่จะนําสู่ความสิ้นจากกิเลสและกองทุกข เริ่มมองเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพระสูตรเนี่ยเป็นการแสดงอัฏฐะและตรัสไว้ดีแล้วผลประโยชน์แล้วก็หลังประโยชน์ต้านทานได้ด้วยดีแล้วก็มีส่วนเปรียบด้วยกับเส้นบรรทัดเส้นได้นื้พระสูตรนี้จึงเป็นพระสูตรที่เรียกว่ามัทุปปินทกาสูตรจึงเป็นพระสูตรที่ว่าโดยธรรมเทศนาที่เพราะเป็นสูตรที่พระเจ้าทรงแสดงแก่ทันทปานิสาคยะนักควรต้นมาตูมหนุ่ม ใจความก็ดังที่ได้กล่าวว่าสมณนมีปกติกล่าวอย่างไรเป็นอาธิบอกว่าเออธรรมดาสมณนในาศาสนาของพระชษฐเจ้ามีปกติกล่าวอย่างไรมีปกติพูดอย่างไรมีปกติแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างไรมีปกติในการคิดอย่างไรเป็นต้นเหล่านี้ในพระสูตรส่วนนี้ที่คือใจความจริงๆเนี่ยพูดถึงในเรื่องตรงนี้พูดถึงในเรื่องของบัณฑิต พระเทนะพระเทระที่หนักในเหตุผลเนี่ยจึงคิดว่านี้เป็นธรรมปริยายะแล้วก็ในเรื่องนี้แหละในพระสูตรสูตรนี้แหละเราจะไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าให้ทรงตั้งชื่อพระสูตรเนี้ยว่าชื่อว่าอะไรพระเจ้ามีพระสัพพยุตยานใช่ไหมมีพระทศพลายานก็เลยบอกว่าธรรมปริยายะเนี่ยควรชื่อว่าอย่างไร พระเจ้าก็เลยบอกว่าตรัสว่าธรรมปริยาญาเนี่ยมีเป็นธรรมปริยาญาที่อ่อนหวานเป็นเหมือนขนมหวานเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าเธอจงจำธรรมปริยานี้ว่ามะทุปินทิกะปริยายะหรือมัทุปินทิกาสูตร เ, เป็นพระสูตรที่เปิบดังขนมหวานกินแล้วชื่นใจ หมูสัตว์เนี่ยเหงาหงอยเศร้าซ้อยไหมจมด้วยตัณหามาณทิฏฐิถูกตัณหามาณทิฏฐิกุ้มรุมพากันดิ้นล้นกระเสิอ์กระสนได้เล่าร้อนเพราะไม่ได้กินไม่ได้ดื่มดำธรรมะโอสถที่ประดุจดังขนมหวานนี้ฉะนั้นถ้าได้ดื่มดำธรรมะโอสถประดุจดังขนมหวานเนี่ยจะ ก, กระปรี้กระเป๋าจะมีความและจะมีกำลังใจนําพาที่นาพาตนเองออกจาก ปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงเข้าสู่นแนวทางที่ถูกต้องเป็นต้นได้สรุปก็คือมัทุปปินิกาสูตรเนี่ยทั้งสัทนายและอัทนายเนี่ยกินมีความไพลราะมากเมื่อสักครู่พูดถึงในเรื่องว่าธรรมะปริยายะที่บอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าจงจำพระธรรมนี้ใช่ไหมจงจำพระธรรมนี้แล้วก็เมื่อเช้าก็เลยไล่ฟังทั้ง ทีนีนิกายมัชฌิมานิกายอังคุตระสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายุิกานิกายความเป็นมายังสรุปประเด็นทั้งหมดแล้วข้ามไปแล้วก็พูดถึงในเรื่องของเหตุเหตุเกิ ด, กดของพระสูตรอัดตัดชาสยะก็เป็นไปตามพระอัจฉริยาสายของพระเองค์ใช่ไหมเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระพุทธเจ้ามีพระอัจฉริยส า, ายจักแสดงพระสูตรนี้เพื่อปัดุลดังจุดคบเพลิงไว้ปลุกหมูสัตว์ ในยามที่เราบริญนิพพานแล้วจะได้เป็นประโยชน์แก่หมู่สัตว์ทั้งหลายที่ได้ดื่มดำ่ำพระธรรมเดศนาหรือธรรมโอสถนี้จะได้หายจากโรคคือราคาโทสันหมดทั้งหลายอยนี้เลยพระเจ้าก็จะสุดอันนี้เป็นไปตามพระพุทธประสงค์เลยนะี่อย่างนี้เยอะมากเลยแล้วพระสวดบางอย่างก็เป็นปรัชชาสยาก็คือเป็นไปตามอัธยาศัยของผู้อื่นเมื่อมีผู้อื่นมีอัธยาศัยไงพระเจ้าจะแสดงเจาะจงให้เหมาะสมแก่อัธยาศัยนะั้น หรือปุจช้าวสิกาก็คือเป็นไปตามเริ่มงน่าในการถามถ้ามีใครถามพระพุทธเจ้าประสดงหรืออตุปปติกะก็คือเป็นไปด้วยเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อมีเรื่องราวต่งางเกิดขึ้นพระเจ้าก็แสด ง, งนี้เป็นต้นส่วนมทุปปิทิกสูตรเนี่ยมีเหตุที่เกิดขึ้นเริ่มงน่าในการถามเพราะว่าในสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงเพราะเหตุที่ทันทปานิสากยะทูลถามปัญหาพระพเจ้าตอนที่พระพุเจ้าประทับอยู่ที่นิโคทารามที่กบิลละพัทใช่ไหม จำได้ใช่ไหมแล้วทีนี้ในการถามเนี่ยขณะที่พระเจ้าประทับอยู่นั่นแหละนิโคทาลามเนี่ยแหละโดยที่พระเจ้าปาราลบคําถามของสักยะทันธปานี้บอกว่าแล้วก็แสดงแค่อุทเทศพอแสดงอุทเทศจบปุ๊บพระเจ้าเข้าสู่วิหารเลยไม่ขยายความเหตุผลก็คือต้องการอยากจะต้องการยกย่องหรือชมชวยบุคคลก็คือตอนนั้นท่านพระมหากระจายนะอยู่ พระเจ้าต้องการจะยกย่องว่าพระมหกาการยานะเนี่ยสาวกของพระองค์เนี่ยชา่นฉลาดขนาดไหนนีเป็นต้นนี่ในพระสูส่ตรนี้ตอนนั้นพระเจ้าประทับอยู่ที่นิโคทารามใกล้กรุงเลวิลพัทแกรนสักกะทันทาปานีสาคยะเนี่ยกำลังเดินเล่นอยู่ก็เข้าไปยังป่ามหาวันไปเจอพระเจ้าตอนนั้นพระเจ้าประทับนางที่ใต้ตนมาตูมลงท่านผ่านการสนทนาเสร็จและ้วะยืน ยันไม้เท้าหนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสมณะมีปกติกล่าวอย่างไรมีปกติบอกอย่างไรให้พระพุทธเจ้าตอบงนงทีนี้เนี่ยคือปัญถามตรัสตอบคำถามของทันทัปสากยะบอกว่าทรงมีวาทะและตรัสบอกในทางที่จะไม่ทะเลาะ ก, กับใครๆมองนะั้ คือสมณะหรือพู้ธุบริษัทของพุทธเจ้าเนี่ยมีวาทะและตรัสบอกในทางที่จะไม่ทะเลาะ ก, กับใครในโลกพร้อมทั้งเทวโลกนั้นคำพูดหรือคําเปล่งแต่ออกมาทั้งหลายอลไรเนี้ยจะไม่ไม่ทะเลาะ ก, กับใครไม่มีเจตนาทะเลาะ ก, กับมนุษย์หรือเทวดาและในทางที่สัญญาในศัพท์นั้นน่ยในทางที่สัญญาหมายความว่า กำหนดหมายด้วยกิเลสสัญญาเนี่ยด้วยกิเลสหรือกิเลสสัญญาจะไม่จะไม่ให้กิเลสสัญญาเป็นตัวกําหนดหมายจะไม่ให้ปันปันจัสัญญาเป็นตัวผลักดันในการเปล่งการพูดออกมาจะไม่ให้ปะปัญจัสัญญาเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมออกมาไม่ให้ปะปัญจัสัญญาผลักดันให้มีการมองการคิดหรือแม้กะการเปล่งกล่าวออกมาอย่างเด็ดขาดพุทธบริศวาสตร์ของพระพุทธเจ้าหรือสมณะในศาสนาของพระคินเจ้ามีปกติเป็นแบบนี้ ให้เวลาเราจะเปล่งกล่าวอะไรเนี่ยก็ต้องตันหนักตันหนักว่าเราเนี่ยเป็นพทพบริษัทของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเมื่อเราเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงไม่ควรเปล่งหรือกล่าวหรือแสดงปฏิกิริยาใดๆด้วยอํานาจของตันหามนตริฐิที่เป็นไปกับปะปัญญัดสัญญาใช่ไหมหรือกิเลสสัญญาปะปัญญัสัญญาสังขารเดี๋ยวต้องไปขยายตรงนี้อีกทีสับไหมแค่นี้บอกว่า จะไม่แฝงตามปัจัญทจสัญญากิเลสสัญญาอคุศนสัญญาจะไม่แฝงตามจะไม่แฝงตัวตามบุคคลผู้อยู่อย่างไม่ประกอบไปด้วยกามผู้ร้อยบาผู้สิ้นความสงสัยรังเกียจบุคคลเหล่านี้รังเกียจบาปราศจากความทยานอยากในภพน้อยและใหญ่แปลว่าไม่ปรารถนาเกิดในภพน้อยและภพใหญ่ภพน้อยและใหญ่เอาอายุเป็นตัววัดอายุมากอายุยืนยาวนึกเลยภพใหญ่ใช่ไหม ถ้าอยู่น้อยก็เลยพบน้อยฉะนั้นไม่ว่าพบไหนๆก็ไม่ปรารถนาในการที่จะไปเกิดหรือไปถือปฏิสนธิไม่ปรารถนานอนในคันเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยออแล้วก็ทรงเล่าเรื่องอันนี้อ น, นี้ไปประโยคประเด็นแรกประเด็นที่สองเดี๋ยวจะไปขยายอีกทีก็ทรงเล่าเรื่องที่ตรัสถามคำถามของทันทะ ป่านี้สากยะให้ภิกษุทั้งหลายได้ฟังเมื่อภิกษุรูปหนึ่งขอให้อธิบายก็เลยอธิบายแบบเยาะเยาอธิบายเนื้อความเมวยอสครู่เยาะเยๆเป็นแค่อุเทศภิกษุทั้งหลายแล้วพระองค์ก็เดินเข้าที่ประทับภิกษุทั้งหลายก็เลยพาไปหาพระมหากระจายนะี่ยนะที่จริงมีเรื่องสวนนากันนะพระมหากระจายเนะ่ยะบอกทำไมไม่ถามพระทธเจ้าหรือแย่ๆหมดใช่ไหมเดินผ่านพระเจ้ามาหาเราได้ยังไงพระเหล่านั้นก็บอกว่าเนี่ยมั่นใจในท่าน ว่าถ้าท่านพูดกับพระทธเจ้าพูดน่าจะไม่ต่างอะไรกันนี้ไปโดนแล้วท่านก็เลยขยายท่านก็เลยพูดถึงนะปปันจะสัญญาทั้งหลายเรื่อนี้ไปโดนก็คือพระเถระก็อธิบายพุทธภาษิตนะพุทธภาษิตที่ว่าปะปันจะสัญญาสังขารย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดถ้าไม่เพิดเพลินไม่ยึดถือในเหตุแห่งอาญาตนาสิบสองไม่ประชุมเงิน ทั้งตาหัวโหนกลิ้นกายใจรูปเสียงกิริยลดผลิตภัณฑ์และธรรมารมณ์ได้นั่นแหละเป็นที่สุดแห่งกิเลสที่แฝงอยู่อนุสัยทั้งเจ็มีการราคานุสัยปฏิคานุสัยจนถึงอวิชานุสัยที่นอนซ่อนอยู่ในขันธทศนันนั่นแหลเป็นที่สุดแห่งการจับท่อนไม้สัตราหรือการทะเลาะหรือการขึ้นหน้าด่าทอส่อเสียดการพูดปลดการขยายความแสดงลำดับก็หมายความบอกว่า ถ้าหากปล่อยให้ปัปัญญสัญญากิเลสสัญญาอกุศนสัญญาเนี่ยมันเป็นตัวผลักดันขึ้นมาจากความรู้สึกเบียดเสร็จแล้วมันก็ผลักออกมาจากคําพูดหรือพฤติกรรมมันไม่ใช่แค่ด่าทอออกมาเนะยนักเข้านักเข้ามันจะถึงการถลอะเบาะแวงกัน จ, กจับมีดจับปุปปืนจับขวานจับค้อนอะไรก็ทุกตีกันนักเข้านักเข้าก็แยกกันสังสารวัฏหรือหมู่สัตว์เป็นไปด้วยอาการแบบนี้เป็นต้เนเราเนี้ยนะ นี่สรุปตรงนี้ก็คือเลยพูดถึงการอาศัยอายัตนาภายในอายัตนาภายนอกเกิดความรู้แจ้งอารมณ์เรียกวิญญาณใช่ไหมรวมว่าทำสา3ประการเนี่ยอายัตนาภายในกายายัตนาภายนอกแล้วมีการประชุมกันเช่นจักขุป萨ตาาาิโรปารมณ์จกักขุวิญญาณอาการที่เป็นตัวเชื่อมตัวประชุมกันเนี่ยเขาเรียกว่าัฏสะเมื่อมีการประชุมกันของรูปจักขุปส萨ต แล้วก็จักคุยั ญ, ญประชุมกันเป็นผัสสะคือความถูกต้องเมื่อเห็นไหมจากการมีอายตนะแล้วก็ต่อการมีการประชุมมีประการที่2ประการที่สามก็คือมีผัสสะพอมีผัสสะปุ๊บประชุมกันปุ๊บเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์จะเกิดขึ้นทันทีทีนี้เมื่อเมื่อรู้สึกอารมณ์ใดจะไปสุขในอารมณ์ใดทุกในอารมณ์ใดหรือเฉยเฉยในอารมณ์ใด ก็จะมีมีเวทนาเนี่ยก็คือมีกุเวทนาก็จะจําอารมณ์นั้นได้ด้วยสัญญาก็ตามมาทันทีมองเห็นไหมความจําได้หมายรู้ทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นมาทันทีเมื่อจําอารมณ์ใดไ ด, ได้ในประการที่ต่อมาเนะถ้าจําอารมณ์ใดไ ด, ได้ก็จะตรึกถึงอารมณ์นั้นมีสัญญาปุ๊บก็จะตามมาด้วยวิตกมองเห็นไหม ถ้าตึกอารมณ์ใดก็จะเนื่นช้าอยู่กับอารมณ์นั้นคําว่าเนื่นช้าแปลว่าอะไรประปันจะสัญญาปะปันจะทำมันจะทำให้เราวนอยู่กับเรื่องนั้นตึกอยู่กับเรื่องนั้นยกกิจอยู่กับเรื่องนั้นหมุนอยู่กับเรื่องนั้นไม่หลุดจากเรื่องนั้นเคยเป็นไว้แล้วจะเป็นสีก็หมุนอยู่ในนั่นแหละถ้าเป็นเสียงเป็นรถเป็นบ้านเป็นทรัพย์เป็นบุตรเป็นภรรยาเป็นสามีหมุนไหมจะตกแต่งมันวนอยู่นั่นแหละ ทีนี้ในบรรดาวนเนี่ยถ้าเป็นพวกปัปปันจสัญญาที่เป็นตันหามันก็วนหลวไปแนวทางของตันหาเป็นตัวขับเคลื่อนชอบใจไม่ชอบใจถ้าเป็นมานะก็วนหลวปในมานะถ้าเป็นทิฏฐิก็วนหลวปในทิฏฐิก็เป็นเหตุให้เนื่นช้าเนื่นช้าในรูปที่พึงรู้ได้ด้วยตาไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันไอความเนื่นช้าคือ ป่าปันจะทำก็จะครอบงําเขาเพราะเหตุนั้นลเล่าเือนี้ทีนี้เมื่อมีอญญายตนาภายในมีอญญ า, ายตนาภายนอกมีวิญญาณก็มีฐานะที่จักบัญญัติแล้วแต่นี้ใช่ไหม ย, ยกตัวอย่างเช่นว่าพรอมีอญญายตนาคือตาใช่ไหเพราะมีอญญายตนาคือสีใช่ไหมพรอมีอญญายตนะคือตัวจิตคือมานายตนาใช่ไหม เมื่อมีอาเจตนะเหล่าเนี้ยประชุมกันปุ๊บเนี่ยการบัญญัติว่าผัสสะจึงมีฉะนั้นการบัญญัติว่าผัสสะเนี่ยไม่ใช่บัญญัติขึ้นลอยๆเพราะมันมีสภาวะที่ประชุมอยู่พระองค์จึงบัญญัติด้วยพระสัพพัญญตยานว่าผัสสะเป็นอย่างนี้ลองเห็นจึงเรียกว่านี้แหละผัสสะเธอต้องรู้จักเลยตัวเนี้ยมันไม่ใช่สัตวนน์บุคคลใดๆเลยนะมันคือผัสสะ ไอ้ที่บัญญัติว่าวิญญาณมีจกักขูวิญญาณเป็นต้นก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลใดๆเลยนะนี่มันคือมนายาธนะคือมันจิตนะไอ้ที่บัญญัติว่าจักขเนี่ยจักขเป็นพวกที่เห็นเนี่ยไอ้นี่ยจักขู่ประสาทเนี่ยใช่ไหมละ่ะไม่ใช่สัตว์บุคคลใดๆเลยนะมันคือจกักขูประสาทคือรูปโลบะลมก็คือรูปพรชมกันเนี่ยในการประชมการบัญญัติว่าผัสสะยังมีได้เมื่อมีการบัญญัติผัสสะ ก็จะต้องมีการบัญญัตินะก็จะต้องมีฐานะที่จักบัญญัติเวทนาเพราะภาษาเกิดหน้าตายไม่ได้เวทนานี่ความรู้สึกสุกทุกเจอ๋อเจ๋อมันตามมานี่เมื่อมีการบัญญัติเวทนาก็มีฐานะที่ต้องบัญญัติสัญญาใช่ไหมเมื่อมีการบัญญัติสัญญาก็ต้องมีฐานะที่ต้องบัญญัติวิตกือความตรึกได้เมื่อมีการบัญญัติวิตกือการตรึก ก็มีฐานะที่จะบัญญัติการครอบงําของส่วนแห่งความกําหนดหมายด้วยกิเลสที่เป็นเหตุแห่เนื่นช้าเช่นตัณหามานะและทิฏฐิแต่คําว่าบัญญัติตรงนี้จริงๆเนะี่ยตัวสัญญาที่เป็นปัปปันจะสัญญาเนี่ยมันมาแล้วมันเคยจํามาได้พอเห็นพบเทียบเคียงบางอะไรบางก็แล้วแต่เนี่ยมันจึงกลายเป็นความเนื่นช้ามันเป็นไปลักษณะอย่างนี้เออในใจความลักษณะเนี้ อันนี้พูดอย่างย่อๆก่อนเดี๋ยวขยายทีหลังพอพระรัเจ้าพอพระพระมหากระจายนะแสดงให้พระจนเข้าใจท่องแท้ต่อมาพระรัเจ้าโมทนานะอธิบายบอกว่าถ้าพระองค์จักอธิบายก็จะตรัสอธิบายเนี่ยเหมือนที่ท่านพระมหากระจายเนี่ น, นนะอธิบายทุกคำเหมือนกันหมดเลยไม่มี ไม่มีน้อยกว่านี้ไม่มีเกินกว่านี้ภาษาที่ใช้ก็เหมือนกันพยัญชนะก็ใช้ก็ใช้ก็เหมือนกันไม่ต่างกับที่พระพุทธเจ้าแสดงเลยพรามังก็ใจอนยะ็นเพราะอะไรเพราะเป็นความจริงเพราะแสดงความจริงให้广ก群众พระพ อ, อนอนน อ, อกาบทูนสารเสริมคำธิบายว่าเหมือนคนหิวเหมือนคนหิวก็หายอ่อนกำลัง พอได้ขนมหวานนีมันชื่นใจฉันแต่นั้นว่าธรรมเทศนาเนี่ยเป็นอย่างที่พระเจ้าว่าจริงๆเหมาะโดยแท้ที่หมู่สัตว์ทั้งหลายที่งอยเหงาเศร้าซึมที่มันออกจากกิเลสและกองทุกไม่ได้ควรจะบริโภคมาทุกปินฑิกะธรรมเทศนานี้หรือธรรมบปริยายะนี้ฉะนั้นถ้าเกิด งงในชีวิตติดแน่นทั้งหลายเหล่าเนี้ยจงเอาสูตรนี้มาสาธยายเอามามองมาสนทนากันแล้วจะเกิดกําลังใจในการที่อยากจะขวนขวายตนเองเนี้ออกจากกิเลสแล้วของใยอย่างเนี่ยเลยเป็นลยเป็นที่มาหองพระสูตรนี้อ่าแต่นี้พอทราบว่าพระสูตรคํญญาบรรยายที่เปรียบเหมือนขนมหวานเนี่ยในมาทุ ป, ปินทิคาสูตรเนี่ยมีหลักธรรมที่เราควรจะศึกษาก็คือพูดถึงในเรื่องของ 1. ปึปันจัสัญญานสองก็พูดถึงอัยยนาสิบสองสามก็พูดถงวิญญาณกจกูวิญญาณโสตวิญญาณขานวิญญาณิวหาวิญญาณขายยามโนวิญญาณใช่ม้พระพุทธเจ้าแสดงถ้าแสดงหรือพิสดารก็จะต้องจับประเด็นตรงนี้อันดับแรกจริงๆก็พูดถึงในเรื่องของปปัญจักรวก็จะมีคาว่าสัญญาด้วยคำว่าปปันจันี่มีอยู่ สองนัยยะนัยยะแปลว่ากว้างขวางกันนัยยะแปลว่าพิสดาปรปปัญจะเนี่ยแปลกว้างขวางและพิสดารแล้วก็มีความหมายที่ใช้เป็นไวยพจน์อีกค่อนข้างเยอะในอย่างยกตัวอย่างเช่นคําว่าวิตฐฐานเนี่ยกว้างขวางและพิสดารเนี่งวิตฐฐานกับพิสดารนี่สั์เดียวยนำมาใช้เป็นศัพบได้มีวิฏฐฐานที่ทางโลกชใช้คนละอย่ากันใช่ก็คือ อันเดียวก็คำว่าพิสดารอันเดียววิจารทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของปปัญญธรรมเนี่เป็นชื่อของกลุ่มกิเลสสามตัวตัณหามานาทิฏฐิเขาเรียกว่าปปัญญธรรมทำเครื่องเนิ่นช้าหรือกิเลสที่ทำให้คิดปรุงแต่งยืดเยื้อพิสดาร หรือกิเลสที่คิดปรุงแต่งยืดเยือ้ออย่างกว้างขวางถ้าแปลให้เจาะลงไปให้มากกว่านั้นก็คือกิเลสที่ทําให้คิดปรุงแต่งยืดเยือ้อแบบวิตถานสัต <laughs> ว์โลกทั้งหลายที่ยังมีตัณหามานตทิฏฐิยังคือกลุ่มพวกวิตถาน <laughs> <laughs> <laughs> แต่จริงจริงใช่ไหมคําว่า นั่นประกอบด้วยคําว่าสัญญาคำว่ายาแปรรู้เนี่ยสัญญาเนี่ยแล้วก็คําว่าสัญญาเนาะมีความหมายหลายอย่างสัญญาเนี่ยสัญญาในความหมายว่าประชุมและคําว่ายาแปรรู้ก็ได้เช่นว่าสภาวะกําหนดหมายสภาวะกําหนดหมายเนี่ยเรียกว่าสัญญาถ้าในอภิธรรมเราก็บอกว่าธรรมชาติที่จํา อารมณ์เรียกําหนดมาเช่นสัญญาในบางทีใช้กันในความหมายของจิตดังที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยใช่ไหมเช่นยังไงถ้าใช้กับคําว่าจิตเนี่ยสัญญาเวทยิตานิโรธหมายถึงการดับจิตเลย mm hmm. เนยว่าสัญญาณนะสัญญายาตะนะบางครั้งบางครั้งมีความรู้สึกบางครั้งมีความรู้สึกก็บบงบอกที่จิตนั่นน่ะนั้นจิตสัญญากับจิตเนี่ยใช้ความหมายเดียวกันเนี่เดี๋ยวจะไปหาว่าเอะ สัญญาที่คุณพูดคําว่าสัญญาในที่นี้ยหมายถึงอะไรจนคําว่าสัญญาในความหมายในปปันจะรำเนี่ยหมายถึงกิเลสที่เป็นเครื่องเนื่นช้าเช่นปปันจะสัญญาติเป็นต้นเหล่าเนี้ยปปันจะสัญญาจึงได้แก่สัญญาประกอบไปด้วยเครื่องเนื่นช้าคือสัญญาที่ประกอบด้วยตัณหาด้วยมานะด้วยทิฏฐิเครื่องเนื่นช้านั่นแหละที่พองค์ตรัสด้วยชื่อสัญญา เอ๊ถามว่าคําว่าสัญญาในความหมายว่าทิฏฐิหมายถึงอะไรทิฏฐิที่ก่อให้เกิดสัญญานะทิฏฐิอันเกิดแต่สัญญาก็ได้ทิฏฐิก่อให้เกิดสัญญาก็ได้เนะียก่อให้เกิดสัญญาสัญญาที่ก่อให้ทิฏฐิด้มันสามาเป็นปันจจัยต่างๆไกันหมายถึงว่าทิฏฐิสร้างสัญญาจากเก่ญญ า, ข, าขึ้นมาความจําอย่างนี้นะที่แรกจําบริสุทธิ์ไม่มีซ้อนเสริมก็ได้ ไม่มีตัวกิเลสมาซ้อนเสริมอยู่ต่อมาว่าแก้วของกูก็เห็นเนี่ยก็เห็น้ที่แก้วของชันเนี่ยแต่ก่อนมันมีของฉันที่ไหนมันก็ไม่เคยประกาศจนเป็นอะไรของเราแต่พอทิฏฐิเข้ามาเกิดร่วมดีอะไรวะฉันเห็นว่าไม่ควรไปใส่รูปนี้ฉันจะเคืองเน ดังนั้นก็คือว่าทิฏฐิอันเกิดแต่สัญญาก็ได้นั้นคำว่าสัญญาการกําหนดหมายความจําหมายรู้หรือหมายรู้ไว้ซึ่งรูปซึ่งเสียงกลิ่นรสเปิดภาดำแดงขาวเหลืองทั้งหลายโดยนี้เป็นต้นความจําเนี่ยที่เราจําว่าเนี่ยแก้วแหวนนาฬิกาขาวเหลือ ง, องต่างๆโต๊ะเก้าอี้สัตว์บุคคลทั้งหลายอะไรนี้ความจําตรงเนี้ความกําหนดหมายตรงเนี้เป็นหนึ่งในขันห้า เป็นขันธ์ที่สามรูปเวรนาสัญญาอขันธ์ตัวนี้ยทําหน้าที่ให้ตัวขันธ์ตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เขาไปเป็นกลุ่มอัญเชญสมานะเป็นกลุ่มสัพพจิตต์แต่เขาสาธารณกจิตทั่วไปนี่คือปัญหาอยู่ตรงนี้มันจึงแยกเป็นสองส่วนเป็นปปาญจสัญญากับกุศลสัญญาวิชฌพักกยาสัญญาว่างเนี่มันแยกของส่วนเลยเนี่ยคือปัญหาของมูสัตมันแยกสัญญาไม่เป็น พอแยกสัญญาไม่เป็นพอมันเป็นกรรมว่าสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาปปัญจะสัญญากิเลสสัญญาขึ้นมาโอ้โหเรื่องเยอะเลยเยอะหมดเลยนุ่งนังไปหมดใช่ไม่มันเกลื่อนก่อนเต็มไหมดเนี่ยมันใช่สัญญาพวกนี้ไหมล่ะใช่ใช่สัญญาที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้เพื่อจะออกเกวตตาทุกหรือจะสร้างทุก เนี่ยสัญญาปัปปันจะสัญญานี้มันทําให้ได้ผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอย่างเงี้ยสีหน้าแววตาที่ต่างๆกันทัศนคติที่ต่างกันรูปร่างที่ต่างกันนิสัยใจคอต่างกันผิวพรรณต่างกันเนี่มันใช่ปัปปันจะสัญญานี่มั้ยไอ้ปัปปันญะสัญญานี่แหละเป็นตัวปั่นตัวปรุงแต่งวิจิตบรรจงทั้งหลายมันสร้างทุกชิ้นมาเลยเนี่ยเราได้มาแล้วทุกสัตว์มากรรไกรสองก้อนเนี่ยนี่นี่คนละชิ้นนี่ไงเชื่นใจไปแล้วเนี่ยมันก็ทําต่อ มันปรุงแต่งในขณะที่ปรุงแต่งอะไรอ่ะอยากจะได้บ้านแบบนี้มันก็คิดปรุงแต่งบ้านยังไงบ้างตั้นหาชอบแบบนี้มากับสัญญาแบบนี้มีกความจำอย่างนี้ดึงข้อมูลตรงนั้นมาเราต้องได้อย่างนี้เราต้องเห็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นโหยปรุงแต่งมากมายเพื่อจะทำบ้านขึ้นมาถามว่าบาปเท่าไหร่กว่าจะได้บ้านทักหลังหนึ่ง ไอ้ได้บ้านมาแล้วเนี่ยพิธีอยู่อาศัยเน่ยมันแค่รูปกระทําอันหนึ่งนะแต่ปริมาณของบาปที่มันคิดที่มันวิตึกเออมาอุ้ตกมะที่มันวนอยู่กับเรื่องนั้นมันตรึกอยู่กับเรื่องนั้นที่มันจะทําในเรื่องนั้นเน่ยถามว่ากี่ร้อยล้านล้านลลานล้ า, นล า, นลานขนาดจิตชนะแล้วมันเป็นกรรมที่จะสร้างวัตทุกเท่าไหร่เมืม่อมาสร้างบ้านให้แม่อยู่ได้แท้แต่กรรมที่สร้างบ้านไปเกิดเป็นสันนลกเยอะแยะหมด เกเป็นสเดชานเยอะแยะหมดเป็นเปลตก็ได้อปสุรกายก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้ใช่ไหมแต่ทั้งหมดเหล่านี้ปปปันจะสัญญานี้มันมันปรุงแต่งแบบพิสดารเลยนะดูที่ไหนมันทําำแค่บ้านหลังเดียวมันทําให้เราได้อัตภาพอีกหลายล้านล้านล้าล้านอัตภาพหลายล้านล้านล้าล้านทุกประศัตรก็ปปปันจะสัญญาฮจริงๆก็คือสัญญานี่แหละที่เขาเรียกสัญญาเพราะว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว มันเป็นเนื้อเดียวกับตัณหาเรียบร้อยแล้วเป็นเนื้อเดียวกับทิฏฐิเรียบแล้วแล้วเป็นเนื้อเดียวกับมานะเรียบร้อยไปแล้วเป็นเนื้อเดียวกับกามสัญญาพยาบาทสัญญาญิญญาณสัญญามันเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยไปแล้วเรียกเมื่อไรก็ถูกเพราะมันไปสมาคมกันเรียบร้อยแล้วมันจึงเป็นสมุทัยสัจจะในฐานะแห่งเป็นกิเลสสัญญาจริงหมล่ะมันเป็นร่วมกันปรุงแต่งเรียบร้อยแล้ว แล้วมันแล้วมันชอบใจกันเรียบร้อยยึดครองกันเรียบร้อยมีเวทนาเข้าเข้าโซลคตมีสังขารก็มาประแต่งวิญญาณก็มาเป็นประธานในการรับรู้มีเจตนาช่วยกระตุ้นเตือนเพา ะ, มะเมล็ดพันธุ์โอ้โหเพียบสยดสยองอะ่ะเพราะงั้นเสยองมากเลยในยที่ที่ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ย แต่ละวันที่ผ่านมาที่ไม่ได้สร้างสัจจะตัวอื่นสร้างสมุทิยะสัจจะเพื่อสมุทรเพื่อทุกขสัจจะโดยแท้เนี่ยน่าสยดสยองมากทีนี้เดี๋ยวค่อยไปขยายสัญญาคือความรู้ทั้งหมดที่อยู่ในสัญญาขันได้แก่ความกำหนดได้หมายรู้หรือรวมทั้งความรู้ที่เกิดจากการกำหนดหมายหรือความรู้ ที่บันทึกเก็บรวบรวมไว้เป็นวัตถุดิบของความคิดต่อไปเนี่ยทําให้รู้จักจํารู้เข้าใจและคิดไปได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไอตัวนี้แหละมันเก็บเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้บางทีมันเก็บด้วยความส่วนใหญ่มันเก็บด้วยกามสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาหรือปัปปัญญะสัญญาตัวเดียวกันตันหามานะทิฏฐิตันหามานะทิฏฐิมอยูงเงี้ยหนึ่งเก็บ สัญญามันก็เลยแบ่งไปตามอารมณ์จะไปจําในเสียงแล้วกรูปประสัญญาเออไม่จำในสีรูปปสัญญาจําในเสียงก็ศรัทธาสัญญาขันธสัญญาราษสัญญาโภทะภาสัญญาทรรมสัญญาเนี่ยใช่ไหมก็แยกเป็นอารมณ์ไม่มีปัญหาแต่ประเด็นมันอยู่ว่ามันเป็นปัปปัญญสัญญานี่แหละทีนี้มันเก็บไม่หมดเลยทนี้เก็บไว้หมดแล้วพอเก็บปุ๊บตัวเนี้ยสัญญามันก็เลยมาบอกว่า ในชั้นต้นเนี่ยความรู้ลักษณะการของสภาวะธรรมนี้เช่นสีเขียวสีขาวสีดาสีแดงแข็งอ่อนรสเปรี้ยวหวานลูกกลมยาวสั้นเป็นต้นที่มันเป็นไปกับทางปัญจทวาริกะสัญญาก็แปลว่าสัญญาที่เป็นไปทางปัญจทวารเนาะในปัญจทวารมีสัญญาหมดเลยเนะ เช่นทางทาวารตาทาวารหูทาวารจมูกทาวารลิ้นทาวารกายมันจะมีสัญญาเกิดมันจาหมดเลยไม่กว้างขวางเท่าไหร่แต่พอเป็นทางมโนทาวาร น, นี่สิถ้ามันเป็นไปทางมโนทาวานเนี่ยสัญญาอื่นๆต่อจากนี้ไปเป็นสัญญาทางมโนทาวานทั้งหมดรวมทั้งความหมายรู้ที่เกี่ยวกับบัญญัติต่างๆทั้งหมดบัญญัติที่รับรู้มาทั้งหมด มันเป็นไปทางมโนทวารหมดเลยอันนี้กว้างขวางยิ่งใหญ่มโหฬาร น, น, นี่คือนี่คือโลกของสัญญาใช่ทีนี้ในบรรดาโลกของสัญญาก็เลยแบ่งเป็นสัญญาสองกลุ่มในกลุ่มสัญญาที่เป็นไปเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเนี่ยเป็นสัญญาที่ยังโอเคอยู่มันเป็นสัญญาที่ยังไม่มีอะไรเข้าไปซ้อนเสริม ได้สัญญาที่มันไปซ้อนเสริมได้แก่ความรู้หมายไปตามการคิดปรุงแต่งอันนี้มีบทบาทเข้ามาตันหามันมีบทบาททิฏฐิมานะมันมีบทบาทความรู้ความเข้าใจในระดับเช่นหมายรู้ว่าสวยเป็นกรรมสัญญาเข้ามาโกงไม่ชอบเป็นพยาบาทสัญญาอยากให้มันวิบัตจิจัดการให้วิบัติไปให้มันพ้นไปไป เป็นวิหิงสาสัญญาไอ้ตรงนี้แหละถ้าถ้ากรณีอย่างนี้คำว่าน่าเกลียดหน้ากลัวทั้งหลายเหล่านี้มันกลายเป็นการมสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงษาสัญญาที่มันมากมายเหลือเกินใช่ถามว่าแต่สัญญาที่เราไม่เคยได้คืออะไรรู้ไหมกุศลสัญญาวิชาภากดีสัญญาเนี่ยอสุภาสัญญาเนี่ยอาทีนวสัญญาอนัตตสัญญาอนิจจสัญญาเนี่ยทุกขสัญญาเนี่ย วิราคาสัญญานิโรธาสัญญาสพภพวะโรเกอภิรตสัญญาเนี่ยสังขารเลโซอันนี้จะสัญญาเป็นต้นเนี้อไอ้สัญญาพวกเนี้ยเราไม่เคยได้นะเราไม่ถ้าเรามัยังไม่พบพระเจ้าเนี่ยเราจะได้แต่ปัปปัญญสัญญาใช่ไหมนี่มันซ้อนเสริมขึ้นมาไงพอมองเห็นไหมทีนี้สัญญาในระดับซึ่งเกิดจากความคิดปรุงแต่งที่เป็นอกุศลเนี่ย ที่เรียกว่าปัญญสัญญาเนี่ยคือสัญญาที่มันซับซ้อนหลากหลายที่เกิดจากการแต่งเสริมเติมต่อให้วิ จ, จิตพิสดารไอตัวแต่งเติมเสริมต่อให้วิ จ, จิตพิสดารของตันหาของมานาของทิฐิอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากิเลสสัญญาก็แบบสัญญาที่เกิดจากกิเลสหรือสัญญาที่ประกอบด้วยกิเลสสัญญาจําพวกเนี้ยมันถูกคิดปรุงแต่งให้มันฟันเฟือ ฟันเฝือและหันเขเฉข๋ไชออกจากทางของความรู้มันไม่เป็นไปเพื่อเพื่อสมาธิทิฏฐิเลยนะมันไม่ได้พัฒนาไปในนี้คิดไปทีเนี่ยคิดเรื่องสวนเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องทรัพย์ในคิดไปทีมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้คือสมาธิทิฏฐิสมาสังปาไม่เป็นเงี้ยนะมันมันเฉออกเลยมันหลุดออกมาเลยนะมันเฉออกไปในทางมันมันไม่เป็นไปในเรื่องความรู้แต่มันเป็นไปในเรื่องของทาให้เกิดความโลภให้เกิดความโกรธให้เกิดความหลง แทนที่จะให้เกิดความรู้กลับเป็นเครื่องกั้นปิดกั้นละบิดเบือนบิดเบือนทําให้ได้อวิชาเพราะวิชาเกิดมาก็สังขารเป็นปจ garder garder นัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเก Toby ิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยแก่อาญาตนะภาษาเวทนาตนาวาทานชาติชาราดหมดแล้วะโศกกริ้วเทวทุกขโทมและเสาปลายาความเกิดขึ้นของมหันตทุก์มันตามมาได้ด้วยนี่สัญญาตัวนี้เป็นต้นต่อเลยในพวกกามสัญญาพวกปปัญจสัญญาตัวนี้ เห็นเห็ น, เ ห, นเห็นทางมัม้ยเป็นมิจฉาปฏิบัติทันทีเลยเนะี่นี่คือปัญหาที่พวกเราประสบเจอกันอยู่ทุกวันนี้ด้วยนี่นี่กลุ่มเรียนธรรมะนะนี่กลุ่มเรียนธรรมะเอาไม่ต้องกลุ่มที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะก็ะคือคนตาบอดไม่กลัวผีคนไม่คนแยกแยกกุศลอ ก, กุศลไม่ออกก็ไม่กลัวบาป ามมันไม่รู้อันนี้กลุ่มรู้แล้วเนี่ยแต่เราเจอตัวนี้เจอกลับดักตัวนี้เบลอเลยมันเป็นเป็นเป็นชุดใหญ่เลยว่างั้นเถอะไอ้ตัวปปัญญาสัญญาเนี่ยแล้วมันสัญญาเป็นจิตแต่สังขารแปลว่าปรุงแต่งจิตถ้าเกิดร่วมกับตัณหามันจะไขควรวนหรือว่าเพ้อหาตึกหาเรื่องกามตลอด หลุดออกจากตาไม่ได้หลุดออกจากตาหัวจบวกลึกกายไม่ได้คิดแต่อะไรก็เพื่อการเพื่อเหลาเพื่ออัตตาตัวตนถ้าเป็นเป็นไปกับมานะก็มีตนเองเป็นศูนย์กลางเลยมีอัตตาตัวตนเป็นศูนย์กลางถ้าเป็นไปกับทิฐิมันก็ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาว่าฉันเห็นอย่างเนี้เมื่อวานสั่งแล้วทําไมไม่ทําตามนี่กลุ่มไปไปวัดกันเลยนะเนี่ยกลุมไปฟังธรรมเลยนะเอ๊ะพอกลับมาอจากวัดนี่ เนี่ยฉันบอกแล้วใช่ไหมให้ใ ห, ให้อย่าวางอย่าวางที่เช็ดเท้าตรงนี้มาที่ไรวางทุกทีมันตองลายมันก็ฉันบอกให้ทำอย่างนี้ฉันเห็นว่าเป็นอย่างนี้ทำไมต้องมาขัดขวางความเห็นเห็นสัญญาอย่างเห็นมันมันเป็นไปกับทิฐิอย่างนี้นั่นมันเก็บไว้หมดอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเรา เราเกลียดใครสักคนเราเกลียดคนคนนี้แล้วเราก็จะเก็บไว้แล้วก็จะไม่อยากเจอไม่อยากเจอคนนี้นะหมายตาไว้นะฉันไม่อยากเจอคนคนนี้เื่ออะไรรู้สึกฉันไม่สบายใจมันจะเก็บไว้แล้วเนะนี่ยนเคยเป็นไหมเรจะยกตัวอย่างให้ดูทีนี้เราก็ไปอื่นแล้วไปเจอคนคนหนึ่งมันหน้าตาคล้ายโอ้โห มันสันนิษฐานต่อเลยเอย้นี่ต้องมีนิสัยเหมือนกันเพรามันคล้ายคนที่กุ้งเก็บมันขนาดนั้นเลยแล้วมันก็เก็บไว้เงี้ยแล้วเวลาชอบก็เหมือนกันใช่ไหมเราชอบอาหารชอบไอซ์ครีมชอบอะไรน้ําชอบกาแฟชอบอะไรก็แล้วแต่สัญญามันก็เก็บไว้เป็นกรรมมาตัญหารหรือเป็นตัญหา มันเกิดร่วมกับทิศเกิดร่วมกับตานานี่แล้วมันก็แสวงหามันก็จินตนาการกระตุ้นจิตอยากกินอยากเขียนอยากพบอยากใสยอยากไปเกี่ยวข้องมันวนอยู่นี่นแหละเหมือนเราคิดวนว่าเราจะทําอะไรนหนูขณะจะ ท, ทําที่ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนี่มีขณะจะปฏิบัติธรรมนะเนยจะสร้างกุฏิจะสร้างห้องน้ำอะไรเงี้ยมันวนอยู่นี่น เออมันนี่ขนาดให้อยู่กับวุณก็ที่ที่บอกว่าให้ให้ท่านน้ตัดต่อวีดีทัศใช่ไหมไอ้รูปแบบมันใช่หมดเลยเนะว่ามันเป็นการจเจริญกุศลหมดแล้วแต่ปปัญนจะสัญญาทั้งหลายเรานี่มาเล่นแล้ว เ, เราจะทำอาสนะของพระเจ้าให <laughs> ้มีไฟให้มีไฟเออเพื่อเพื่ออะไรของให้คนตื่นเต้น เนี่ยมันมันมันมันปรุงแต่งมันปรุงแต่งอย่างนี้นี่คือปัญหาที่มันเป็นตัวปปัญธสัญญาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นกุศลสัญญามันไม่ได้เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายใายกันหนาใช่ไหมมันไม่ได้เป็นในจุดนี้ไม่เป็นไปเพื่อการเจริญกุศลนี่อกุศลสัญญาเนี่มันจึงเป็นปัญหาเป็นปัญหากับชีวิตมากเพราะว่าและเราก็ไม่เคยถูกสอนว่าเราจะละมันยังไงเนี่ยปัญหาอยู่ตัวนี้ ทั้งๆที่มันเป็นปหาต่อปธรรมพอนักเรียนซื่อตรงแบบว่าสัญญาเป็นทุกขสัต์มันท่องมันไหมไม่ใช่สมุติยศาสตร์เนี่ยเนี่ยมันมันมันมันแข็งทื่อเนี่ยทั้งๆที่ไม่ว่าจะเป็นสัญญาก็ดีผัสสะก็ดีใช่ไหมผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเยกคตาชีวิตตินีมรดสการวิตกิจานาทิโมวิริยปีติชนทาถ้ามันเกิดร่วมกันกับตัณหา เกิดร่วมกับเจตนานําไปสู่วัตถะเป็นสมุทัยยะสจ่าหมดเลยถ้าเจตนาเป็นสมุทัยยะสจ่าได้ภาษาเวทนาทั้งหลายก็ต้องเป็นสมุทัยยะสจ่าสิเจ๋งไหมล่ะมันก็นําสู่วัตถะทั้งนั้นแหละมันช่วยส่งเสริมทั้งหมดเลยแต่ถ้ามาแยกโดยแบบเคร่งคัดจริงๆก็แยกอีกกรั้งแต่เมื่อตะกี้เนี่ยมันเป็นคนไปร่วมกันช่วยสร้างบ้านเราไปเถียงว่าไอ้เนี่ยเป็นตัวสร้างบ้านเราไม่ใช่ ไอ้ตัวที่สร้างบ้านตัวเดียวตัณหาเท่านั้นแหละเป็นสมุทัยสัจจานอกนั้นไม่ใช่หรอกซื่อสัตว์เจข้ออุปาทานที่เขาไปยึดมั่นในสัญญาอุปาทานที่เขาไปยึดมั่นในสัญญาเรียกว่าปปปัญจะสัญญาได้ครับจริงๆคําว่าปปปัญญะสัญญาเนี่ยมันหมายถึงตัวตัณไอ้ตัวสตัณหามานาทิติที่มันเกิดร่วม ที่มันเกิดร่วมกับไอตัวมันเกิดร่วมกันกับกวดธนามในตัวสัญญาที่เกิดร่วมเขาเรียกกันโดยส่วนใหญ่ตรงนี้ก็คือต้องการให้รู้ว่ามันไอตัวความจําเนี่ยในขณะที่เราจําอย่างนี้มาใช่ไหมพอจําจากทีแรกเลยเนี่ยมันเป็นถ้าเป็นอสุภัสสัญญาเนี่ยมันไม่เรียกว่าปัปปัญญสัญญา ถ้าเราเห็นว่าไม่งามจํำด้วยไม่งามไม่งามไม่งามเนี่ยนะความจําหมายอย่างนี้มันเกื้ อ, อคูณต่อการจากการไม่ติดข้องใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสุภาสัญญาเนี่ยมีปัญหาไอ้ตัวนี้มันไม่เป็นทั้งสุภาและอสุภาษนั่น แ, แหละแต่เมื่อเราไปมนาสิการผิดขึ้นมาเนี่ยตัวสัญญาที่มันเกิดขึ้นตัวโลภาที่มันเกิดขึ้นตัวที่ถิมานะที่มันเกิดร่วมทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมันไปชอบใจพอไปชอบใจสิ่งนี้ป๊อ จึงเรียกว่าสุภะเออเรียก่าสุภาะสัญญาความจำหมายว่างามทั้งๆที่มันไม่งามเป็นนิจจสัญญาไปจำหมายว่าเที่ยงทั้งๆที่มันไม่เที่ยงเป็นสุขะสัญญาไปจำหมายว่ามันเป็นสุขทั้งๆที่มันเป็นทุกข์ัตย์ในตัวมันเีมันทุกข์เนี่ยไปจำหมายหมายว่าเป็นเราเป็นของเรานี่เป็นต้นมองเห็นไหมว่าไอ้ความจำตรงเนี้ยพอมไปเกิดร่วมกับตัณหามานัิฐิแล้วมันเลยวิปริต เขาจึางเรียกว่าสัญญาวิปลาสพอไปเห็นผิดเขาเรียกทิฏฐิวิปลาสใช่ไหมถ้าไปคิดในเรื่องนี้ผิดเขาเรียกจิตตวิปลาสก็คือบ้าดีๆนี่แหละว่าไม่บ้ า, าได้ไงไปนั่งกอดดินกอดน้ํากอดไปกอดลงบ้านฉันบ้านฉันก็คนบ้าดีดใช่ไหมล่ะในหลักการคือคนบ้ามีสายตาของภริยานยี่มี้ โดยสมมติเนะี่ยมันใช่แต่โดยสภาวธรรมมันใช่ที่ไหนล่ะนี้เป็นตัวประธานสัญญาใหญ่กว่าหรือว่าเล็กกว่าอ๋อเขาไม่ได้ไปจุดตรงนั้นเขาไม่ได้ไปวัดขนาดที น, <c oughs> นที้ประเด็นก็คือว่ามันจะกว้างขวางขนาดไหนใช่ไหมก็อย่างที่บอกไงว่าแต่ถ้ามันมีไอ้ตัวประปันจะสัญญาเนี่ยหรือประปันจะทำทั้งหลายเนี่ยถ้ามันไปเกิดขึ้น หรือทิฏฐิตัณหามาน้าทิฏฐิมันไปเกิดกับใครล่ะถ้าคนคนนั้นสั่งสมอัตยาใัยที่เป็นกุศลมาเยอะเนี่ยกุศลสังขารมาเนี่ยมันประพฤตแบบประเภทที่เลยทองเลยไปเยอะมันไม่เข้าสู่มชจิมาปฏิบทาหรอกใช่ไหมถ้าเรามองเชื่อมในเรื่องของ <c oughs> เชื่อมของในเรื่องของว่าอัตตะกิลมกามะการมสุขาริกานิโยก็เป็นสุที่สุดอย่างหนึ่งอัตตกิลมฐานโยก็เป็นที่สุดอย่างหนึ่ ง, ง, งใช่ไหม มัชิมาปฏิบัติามันเข้ามันเข้าไปถึงมัชิมาปฏิบัติกันความยินดีความยินร้ายมันเป็นที่สุดทางนั้นเลย อ, อย่างนี้ใช่ไหมเหมือนกับคําว่าที่เรามองในเรื่องของโอคาตะระนาศาาุลที่เทวดามาถามพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าแต่ท่านพ้นนรันดรุกเนี่ยบอกว่าแต่ท่านพ้นทุก์ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกเราไม่พักเราไม่เพียรใช่ไหมพ้นทุกได้เพราะงั้นเถ้อบอกว่าดิฉ น, น, นก็ไม่เข้าใจว่า ไม่พักไม่เพียนคืออะไรเทวดาก็ถามต่อไม่พักไม่เพียนพ้นทุกข์ไงพระเจ้าบอกว่าถ้าพักอยู่ชื่อว่าจมอยู่ถ้าเพียนชื่อว่าเลยไปเราไม่พักไม่เพียนพ้นทุกข์ได้อย่างนี้ <c oughs> เข้าใจ เ, งงเรางงเรายัางงงต่อนอะแต่เ ท, ทวดาได้บรรลุเนาะอุทานออกมาอดนานแล้วหนอกวังกันเถอะที่จะได้เห็นขีณาสวะของ บ, บุคคลที่เป็นขีณาสวะคนจากอาสวะทั้งหลายมีการมาสวะเป็นต้นเหล่านี้เป็นผู้บริสุทธิ์ของแผ่ด้วยตนเองนานนักหนา โหกว่าจะเห็นพุทธิยาองก่อนมารู้กี่สังสารวัตรมาเจออีกองหนึ่งเนี่ยโอ้โหว่างั้นเป็นบุญยาราบมากท่านก็เคารพแล้วก็อนุลาทานหายไปนี่เอาพวกเราไปไม่เป็นอะไรนี้เออะไรไม่พักใช่ไหมไม่พักไม่เพียรแล้วพักคืออะไรใช่ไหมอ่อะไรโลภะนี่ชื่อว่าพักเลยนี่ออดใช่ไหมตัณหาชื่อพักทิฏฐิที่ชื่อว่าเพียรที่ว่าเลยไปใช่ไหมไม่พักไม่เพียรคือมชิมาปฏิบทา คือใช่ไหมคือสติสัมปชัญญะก็คือความเพียรที่สร้างสารรคไอ้ตรงนี้เขาเรียกไม่พักไม่เพียรเนี่ยไอ้ตัวสมาธิทิฏเป็นต้นเลยทีนี้การมาสุขัลธ์กา ร, การโยกเนี่ยชื่อว่าพักอยู่อตตกิรมัฐานโยกนี่ว่าเลยไปใช่ไหมมะจิมาปฏิปทานเนี่ยชื่อว่าไม่พักไม่เพียรทีนี้อโลภะโลภะทิฏฐิ ชื่อพักอยู่กิเลสที่เหลือพร้อมด้วยกุศลสังขารทั้งหมดชื่อว่าเพียนไม่เชื่อเลยไปเห็นไหมว่ากุมภดากุศลทั้งหมดเหล่านี้ยคุณจะเดินกุศลขนาดไหนก็ชื่อว่าคุณผิดทางตลอดกลุ่มกุศลสังขาร่ะปุญญาวิสังขารอเนญชาวิสังขารใช่ไหมหรือแม้แต่อปุญญาวิสังขารอกุศลสังขารปุญญาพิสังขาร แ, แปุญญาพิสังขารอเนญชาวิสังข า, ารขาญญาขาาชื่อว่าเลยไปหมดเลย เอายกตันหามาหนึ่งพวกบรรอกุศลสังขารและกุศลสังขารทั้งหมดเนี่ยชื่อว่าเลยไปหมดเลยเนะอันนี้คือว่าจมอะไรเงี้ไปตัวอุเฉททิติศาสตอุเฉททิฐิชื่อว่าพักศาสตาททิถิชื่อว่าพักอยู่อุเฉททิฐิชื่อว่าเลยไป น, นี่นะส่วนมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยชื่อว่าไม่พักไม่เพียรที่นี้ในชีวิตจริงของพวกเราอะ่ะเราก็จะเห็นชัดว่าโอ้โห แค่เราจะดำเนินชีวิตไปตามมัชิมาปฏิปทานนี่ก็ยากแล้ ว, วล ถ, ถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าโอ้จริงว่าแค่อย่างเงี้ยแค่เราจะดื่มน้ำเนี่ยใช่ไหมถ้าเกิดความชอบ ยินดีที่จะดื่มไอชื่อว่าพักอยู่ไม่ชอบใจเลยน้ำอะไรก็ไม่รู้ไอชื่อว่าเลยไปเนี่ยดูสิเนี่ยไอตัวสติสัมพชัญญาตัวความเพียรที่สร้างสรรค์ใช่ไหมเพื่อจะดำเนินกระแสะชีวิตไปสู่ความพ้นทุกข์อันนี้ชื่อว่ามัชฌิมาปฏิปทา อันนี้ในชีวิตจริงๆเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าแค่เราจะจับเราจะดำเนินไปสู่มัชิมาปฏ <ś m ig eland> ิบทาก็ยากแล้วพอมองอย่างนี้แล้วทอ้ทอไหมล่ะท้อไหมมองอย่างนี้ทอ้อไหมละ่ะเออตรงนี้ยกตัว อ, อย่างเนี่ยสัญญาที่เกิดจากความ จากความคิดปรุงแต่งที่ปั้นเผือและห่างเหวเฉใช้ออกไปในทางมีความรู้เหมือนความรู้หมดเลยเช่นความคิดในการที่จะประกอบเนะียจะสร้างจินตนาการสร้างรถไฟลอยฟ้าสร้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราดูเหมือนว่ามันเกิดจากเป็นสิ่งที่ดีงามเลยเนะนะี่ยแต่อย่าลืมได้ความคิดที่ปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มันสร้างว่าเศษขาเต็มไปหมดในโลกใบนี้ที่ว่าฉั้นบอกฉันขึ้นไปบนเครื่องบินมองลงมาโอ้โห ผลิตผลของปปันจะสัญญาเนี่ยเนขนาดนี้เลยอ่ะเต็มไปหมดมะฮมาเต็มท้องฟ้าเต็มเต็มพื้นเป็นดินหมดเลยมั่าจะไปหน้าที่ไหนโอ้โหนี่ไงผลิตผลที่มันมันตันหามันคิดทิฏฐิมันคิดมานะมันคิดมันบวกร่วมกับสัญญาไปจําตรงนั้นมาไปจําตรงนี้มาไปจําตรงนี้มาเอามาเสริมเติมแต่งขึ้นมามันต่อมันทําจนแล้วไปบอกว่าดีอย่างที่บอกว่าโอ้โหมันสร้างขึ้นไปเป็นกล่องๆๆๆเป็นมนุษย์โลอยู่กัน แล้วโฆษณาเนี่ยนะโฆษณาให้คนชอบได้เฉยเลยมันคิดดูสิทั้งๆที่วันไปอุดอู้ไปอยู่ด้วยความลําบากไปแออัดคุณภาพชีวิตก็แย่ๆแหละมันก็บอกว่าดีดีดีดี ด, ด, ดีแล้วไปเขียนโฆษณามีภาพ ส, สวยงามใช่ไหมสัญญามันจําตรงนั้นแต่ความเป็นจริงไปอยู่ด้วยความลําบากวิ่งออกวิ่งเข้าด้วยความลําบากกันอยู่นั่นแหละแต่สัญญามันล็อกเขาไว้ว่าราคามันแพง มันดีมันจริงมันมันโกงแต่งอยู่อย่างนั้นแหละมันออกไม่ได้จริงๆมันไม่ได้สร้างให้เกิดความรู้คือสมาธิฏฐิเลยมันความไม่รู้มันให้มันมันมันหันเหเฉ๋ยไฉออกจากแห่งความรู้ไม่เป็นไม่เป็นเรื่องความรู้แต่มันเป็นเรื่องของการที่จะให้เกิดโรคมากขึ้นโกรธมากขึ้นแล้วหลงแทนที่จะให้ความรู้มันกลับให้อวิชชามันบิดเบือนเฉ๋ยไฉออกจากความรู้มันคล้ายกันมากเลยเนี่ยมันคล้ายความรู้เลยในตัณหามตตาทิฐิเนคล้ายมาก ลองให้มันจินตนาการอะไรขึ้นมาสักอย่างที่มันจะเป็นไปเพื่อวัตถะลองให้มันจินตนาการโว้โปรุงแต่งได้ดีมากแต่เมื่มันสร้างเต็มไปหมดเลยตลเต็มไปหมดรถเต็มท้องถนนเรือเต็มนะบนฟ้าก็เต็มไปด้วยเครื่องบินนั่นน่ะประเด็เพราะเศรษกิจดีเขาเริ่มเห็นนี้ยังเนี่ยคือตันหาถ้ามันจำเรื่อง ไม่ดีจำเรื่องดีมันก็ล็อกไว้และไม่มีวิธีการที่จะพูดตรงนี้ไม่มีวิธีการในการที่จะจะละมันมันกับซับซ้อนมากขึ้นเช่นถ้าเราไม่ชอบอะไรก็อย่าไปเกี่ยวข้องมันนี้นี่แต่ไอสัญญาที่ไปถ่ายไว้แล้วก็ไปล็อกอัดเข้าไว้ เ, เมื่อจิตสภาพจิตมันอ่อนแอเมื่อไหร่ มันก็มีอิทธิพลขึ้นมาปรุงปงแต่งทําให้เหงาหงอยเศร้ า, าสร้อยโศกทุกข์แล้วก็พยายามทําเรื่องอื่นกบพอไปไม่ได้กันมาสิ่งเหล่านี้ก็ตามกข้แล้วก็มาสร้างพวกนิมิตให้สุขตินิมิตบ้างทุกตินิมิตบ้างเพื่อทุกขสัจจะต่อไปเนี่ยสัญญาพวกนี้แหละที่เรียกว่านิมิตเนกรรมะอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์กตินิมิตเรงพูดสวยเลยนะ สโลก็คือทุกขตินิมิตกับสุกตินิมิตแต่ทั้งหมดเหล่านี้ให้ให้ทุกขให้ให้วัตถะให้ทุกนั้นมันมันจำไว้หมดแล้วอย่างที่พูดเมื่อเช้าบอกว่าเนี่ยสุนัขตัวนี้มันเป็นมันเป็นสุภาษณสัญญาของยมีเรียบร้อยลองลองไปเอาตัวอื่นนะถ้ามันไม่มีขนมาเนี่ยไม่ชอบเลยนะทั้งทั้งมันก็เป็นสุนัขเลยแหละเพราะเราไม่เคยเอาสัญญาว่าไอ้ไม่มีขนมันสวย บอลนี้มันสวยมันปุ้งแต่งเรียบร้อยหมดแล้วเป็นนิมิตของเราเนี่ยเป็นลล้านช็อตทุกท่าทางของมันจำไว้หมดแม่บุคคลที่เราเกี่ยวข้องทั้งหมดมันจำไว้หมดมันเป็นพวกกามสัญญานเป็นพวกทิฏฐิพวกกามสัญญาบ้างพยาบาทสัญญาบ้างหญิงสาสัญญาบ้าง เป็นประปัญญาสัญญาเป็นไปกับัญหาบางมานะบางทิฏฐิ่ามันสลับค้าเขาทุกวันคืนภาพเหล่านี้เราไม่เคยเราไม่เคยจะคิดชาระมันด้วยปัญญาเราเราเรียนกันเข้ามาเนี่ยแต่เราไม่เคยยกตัวอย่างเข้าไปลงในรายละเอียดเลยนะว่าไอ้ตรงนี้คือปัญหาแล้วนะเนี่ยมันมันเก็บไว้แล้วมันจะอ้วกออกก็ไม่ได้เราก็ได้เดี๋ยววิธีว่า ไม่ชอบใคร ก, ก็ลืมๆกันไปแต่ก่อนเคยชอบกันแทบตายเลยลักใครกันเพราะอยู่ต่อมาเหตุปัจจัยเปลี่ยนไม่เอาเลยคิดเมื่อไหร่มันกไไไ็ไม่ประทับใจรู้สึกเฉยๆเยอะไม่ยุ่งแล้วว่างงแล้วกันมานัแล้วแต่ถามว่าจ า, จากสุภาสัญญาเป็นพยาบาทสัญญา แล้วทางเขาก็เป็นวิหิงสาสัญญ า, ามันจำเลยมั้ถ้าอารมณ์เหล่านั้นในสภาพที่จิตมันอ่อนแอ ม, มาปรากฏก็นํานํานําเกิดในสังสารวัตรดิเหมือนน้ําเนี่ยใช่ไหมน้ําปรากฏอีกคนนึงไปทุกขติไปเกิดเป็นปลาอีกคนนึงไปสุขติเพราะกรวดน้ำํำใช่ไหมน้ําเหมือนกันเน่ยนะเนี่ยอีกคนนึงไฟปรากฏใช่ไหม อีกคนนึงไปทุกขติลง น, นโลกอีกคนนึงไปสุขติเพราะจุดปฏ่บูชาไฟอะไรเงี้ยนะเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้นะไอ้สัญญาเนี่ยแต่ทั้งหมดให้ทุกข์กษัตริย์หมดเลยนะเนี่ยที่พูดเนี่ยทั้งหมดให้ทุกข์กัตริย์อะนักเข้านักเข้าตอนี้ก็หาวิธีการว่าพ้นจากพ้นจากไอหาทางพ้นทุกข์กันดีกว่าก็เลยให้ไปเพ่งดินเพ่งนะ้ําให้มันได้นิมิตพอได้นิมิตเหล่านี้ไปเขาเรียกว่าเป็นกรรมนิมิตก็นุ่นไปนะุ่นไปรูปภูมิบ้างอรูปภูมิบ้าง แต่ก็ะทุกอีกคนไปคนหนีมันไม่พ้นเลยสัญญาที่คุณทําทั้งไว้ทั้งหลายเหล่านี้ที่สุดจริงๆไม่สามารถจะออกเพราะเพราะมันไม่สามารถจะใช้ยานปัญญาไปชําระเส้นทางหรือแนวทางเดินไปสู่ไอ้ทางสายกลาง ด, ดําเนินสู่ความพ้นทุกข์ได้ที่จะออกจากมันไม่ได้พราะออกจากมันไม่ได้ก็เลยอาศัยสัญญาเหล่าเนี้ยท่องเที่ยวในวัฏฏะเขาเรียกว่าสังสาระทีนี้ เริเห็นปัญหาอย่างทั้งทั้งกุศลเดี๋ยวเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกุศลสัญญานี่นิดนึงถ้าเป็นความคิด เ, เกิดจากความคิดที่ดีงามหรือเกิดจากความรู้ความเข้าใจเป็นกุศลสัญญาทีนี้บรรดากุศลสัญญาเนี่ยมันจะเป็นกุศลและสังขารกันที่นําสู่วัตะซึ่งส่วนใหญ่เป็นกันอย่างนี้นะไม่ว่าจะเป็นอกุศลสัญญากุศลสัญญาล้วนมีปัญหาหมดเลยยกตัวอย่าง กูศลสัญญาก็อย่างที่กล่าวว่าเราไปให้ทานเราไปทําสิ่งที่ดีงามไปทำสาธารณประโยชน์มันไปจําเรื่องราดีๆต่างๆนี่ไม่มากมายแต่สัญญาเหล่านี้การปรุงแต่งลักษณะเนี้นําสู่สุขตินิมิตเหล่านี้นําสู่สุขติก็แต่ยังไม่พ้นจากการบินว่าใจเกิดใช่ไหมแต่ถ้ามันมากไปกว่า น, นั้นในคําสอนเขาเรียกวิาวชาภาคยาสัญญาอาสุภาสัญญาอะไรต่เนี้ วิราคาสัญญานิโรธาสัญญาอานิจจสัญญาอนาตสัญญาทั้งหลายเหล่านี้เป็นตัวเพราะเพราะไม่เป็นไรมันจำได้หมดแล้วพวกนี้ทีนี้พอพอสัญญาเหล่าเนี้ยไอความจําหมายในเรื่องของสัญญาต่างๆเหล่านี้มันกลายเป็นตัวเกื้อกูอนใช่ไคนที่มีอสุภัสัญญาอานิจจสัญญาอนาตสัญญาทั้งหลายเหล่าเนี้ยคนที่มีอัธยาศัยเหล่านี้อย่างแข็งแรงมันไปปรุงอเลย พวงแต่งจิตเพื่อไปให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาทั้งหลายในกลุ่มสัญญาเหล่านี้กับเกื้อกูลอย่างมากเลยนะกับเกื้อกูลอย่างมากเลยในกรณี้ที่นี้ประเด็นก็คือว่าเวลารเราจะออกจากอากุศลเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นถามว่าถ้า ถ้าไอตัวปัปปันจะสัญญามันมีอิทธิพลจะละละยังไงเพราะเป็นธรรมที่ควรละใช่ไหมเราจะละยังไงสัญญาไอทำเจริญสู่สองชั้นญาที่จริงโดยหลักการตรงนี้ออย่างที่ชี้โทษตรงนี้ถ้าเราใช้ไอตัวสติดึงสัญญาเหล่านั้นมาดึงข้อมูลมาพอดึงข้อมูลมา แล้วให้เกิดภาวะจิตที่มั่นคงเข็นแล้วไปดึงข้อมูลนั่นมาปัญญามาวิจัยแยกแยกยกตัวอย่างเช่นว่าเราเกิดสุภาสัญญาไปจำหมายในสิ่งที่ไม่งามว่างามเอามาแยกมผมขนเล็บฟันหนังเห็นกระดูกเยื่อในกระดูก มาแยกกลุ่มทั้งรู ป, ปรขันของเขาเวทานาขันของเขาสัญญาสังขารวิญญาณของเขาพอเข้าไปแยกแยะรายละเอียดทุกขึ้นมาอันนี้เป็นทุกข์เราชื่นชมทุกข์เราเพิดเพลินในทุกข์หลงไหลในทุกข์มัวเมาในทุกข์ที่จะพ้นทุกข์ไม่ใช่ฐานะไอ้ทุกข์เหล่านี้มันมาจากสมุทัยยะสัจจะเขาวิชาตนาวบาธานใช่ไหมมันมาจากป่าปัญญาสัญญามาจากป่าปัญญาธรรมนี่เอง ไอตัวปปันญญธรรมนี่เองเป็นตัวสร้างทุกข์สัตว์เหล่านี้ให้เกิดขึ้นมันเกิดร่วมกับตัณหาวิชาเลยว่ากันไปเนี่ยเรามามามามามาชอบได้ยังไงพอเห็นความจริงแบบนี้สัญญาที่มันเคยเป็นอกุศลสัญญาจากสุภาพสัญญากลายเป็นอสุภาพสัญญาจากพยาบาทสัญญามันกลายเป็นเมตตาสัญญามองอ้อจากที่เราเคยพยาบาทเคยโกรธเคยเครียดเคยหงดหิตเราก็มามองใช่ไหม มองเปลี่ยนสัญญาทันทีว่าโอ้เขาก็รักสุขเกลียดทุกหมู่สัตว์ทั้งหลายทําไมต้องคิดเบียดเบียนกันพยาบาทกันปองร้ายกันแล้วเราเบียดเบียนคิดปองร้ายเบียดเบียนแล้วคิดประทุษร้ายอย่างเงี้ยเราจะพ้นจากสังสารวัตรพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรเราต้องปราถนาให้เขา nibpanz ี่เราไปรังเกียจอะไรเขาเห็น ไ, ไหมสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเนี่ย เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายที่เกิดก็เป็นทุกข์กษัตริย์แก่ก็เป็นทุกข์กษัตริย์ตายก็เป็นทุกข์กษัตริย์ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายถูกทุกข์กษัตริย์เบียดเบียนบีบคั้นต่างๆนานาอย่างเงี้ยเราไปลังเกียจทุกข์กษัตริย์ก็มันลังเกียจตัวเองอยู่แล้วเราควรจะ ก, การุณาเขาหรือควรจับเมตตาเขาปรารถนาให้เขาได้ถึงอนุปาทาปรินิพานโดยเร็วโดยฉับพลัน อย่าได้มาเก็บปวดอยู่ในสังสารวัตเลยและในระหว่างที่มาเกี่ยวข้องกันไม่ว่าฐานะใดเราไม่ควรทำบาปประกรรต่อกันและกันเลยเมื่อไปทำบาปต่อกันมีอกุศลสัญญาต่อกันแล้วก็สร้างมสมุทัยสัจจะเพื่อจะทำให้ได้ทกษัตริย์ที่น่าเกียดน่ากลัวอีกไม่ควรเลยหนาเนี่ยเพราะจากการฟังดึงข้อมูลมาวิจัยฟังแล้วดึงข้อมูลมาวิจัยหลุดไหมแบบนี้หลุดไม่หลุด ถ้าไม่หลุดหมุนต่อใช้ปัญญาเข้าไปวิจัยแยกแยะต่อแต่ทั้งหมดเหล่านี้สติต้องดึงตรงนี้มานะดึงข้อมูลมานะลอกข้อมูลมาวิจัยให้เห็นจริงๆเลยนะอย่าเห็นผิวเผินอย่าเห็นตามตำราอย่าเห็นแค่ฟังตามกันมาอย่าได้แค่สุดตานะต้องเป็นสุดตามายปัญญานะและ้วกินตา ม, มายปัญญาต้องคิดให้ลึกกว่านนะั้นจนเห็นประจักษ์จริงๆอ่ะเพราะว่าเขาก็สัตว์เกิดแก่เจ็บตายที่เป็นทุกข์กษัตริย์ไม่ต่างอะไรจากเรา เขาไม่ได้นิพพานนี่แหละทังเดือดร้อนเราคิดอย่างนี้จะนิพพานได้อย่างไรไในเราปรารถนาพ้นทุกข์ทำไมเราไปคิดอย่างนี้กับหมูสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย ด, ด้วยกันเราใช่ไหมละ่ะเอาเขาด่าเราจริงๆแล้วเนี่ยกิเลสมันกุ้มลวมในใจเขาเขาหาักห้ามกิเลสไม่อยู่ก็เป็นธาตุของกิเลสเขาจริงถูกกิเลสักให้เป็นอย่างนั้นก็ถูกลูกศรเสียบอยู่ก็ดิ้นรนกระเสือกกระสน เราควรจะ ก, การุณาเขาว่าเขาถูกรูกสอนปากแล้วมันดินดินไปดินมาใครอยู่ใกล้มันวินมันดาวหมดแหละมันกระตุ้นสลายหมดไม่รู้จักแม่ใช่ไหมคนคนโลภไม่ไม่เคารพพระรัตนตรยัยคนโกรธก็ไม่เคารพพระรัตนตรยัยคนหลงก็ไม่เคารพพระรัตนตรยัยคนมี ป, ป่าปัญนจะทำกุ้มลุมอยู่ตั้หาอมาทิฏฐิอยู่เขาจะไปเคารพพระรัตนตรัยได้ยังไงใช่ไหมล่ะ เมื่อไม่เคารพพระราชาตายก็ไม่รู en, ้จักพ่อไม่รู้จักแม่ไม่รู้จักเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้หรอกเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนี้แหละเพราะเขาถูกลูกศรคือตัญหามานะที่ติดเสียบอยู่ก็ดิ้นเขาเจ็บเขาปวดเขาอาการที่กําลังดิ้นพลานพันพันอยู่เนี่ยเราก็เคยเป็นอยู่แล้วอย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมล่ะก็ต้องทนพฤติกรรมของคนที่กําลังถูกกิเลสเนี่ยกุ้มรุมเบียดเบียนบีบคั้นผักดัน ทำให้เขามีอาการวิปริตผิดเพี้ยนเนี่ยเราต้องต้องทนยอมรับต่อสัตว์ที่ถูกพฤติกรรมด้วยกิเลสตหามานะทิฏฐิมันเสียบแทงแล้วมันดิ้นมันหมอเนี่ยหมอเวลาจะไปรักษาคนป่วยเนี่ยมันดิ้นดิ้นดิ้นใหญ่หมอจะผ่าตัดมหมอเขาทาไงก็ให้ยางไงให้มันนิ่งใช่ไหมมันถึงผ่าให้ยาชาใช่ไหมอันนี้เหมือนกัน เวลาเราถูกราคะโทสะโมหะเสียบอยู่เนี่ยมันก็ดิ้นดิ้นพานเอาทำไงวิธีการจะถอนลูกศรคือราคะโทสะโมหะก็ให้ศีลให้สมาธิดินให้ศีลเข้าไปให้สมาธิมันสงบใช่ไ้ยให้ปัญญาก็าไปเพราะตัวศีลมันถอนโทสะนี่ตัวสมาธิมันถอนราคะนี่ตัวปัญญามันถอนลูกศรคือโมหะใช่ไหมทีนี้ถ้ามันดิ้นพันพ น, พนอย่างก็ ให้มันมีสมาธิพอมันสงบหน่อยก็แล้วก็ใช้ปัญญาก็ไปเป็นครีมอ่ะถอนลูกสอนออกถอนนีถอนบ่อยๆเนี่ถอนบ่อยๆพอถอนปุ๊บมันมันมันถอนถอนแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยชั่วคราวอ่ะถอนชั่วคราวอ่ะมันก็หายเจ็บปวดชั่วคราวและในขณะเดียวกันก็อย่าไปเสียบต่อใช่ไหมเนี่ยเราถูกลูกศรเสียบอยู่อย่างเนี้ ถ้าเราเห็นและเข้าใจอย่างนี้มันมันจะมองออกว่าโอ้มันไม่ใช่เรื่องคนอื่นแล้วมันเป็นเรื่องที่เราต้องขวนขวายในการที่จะทําตนเองถอนตนเองออกจากวัฏจักเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามีวิธีการในการที่จะจัดการกับตัญหามานะที่ตีลึกๆ ป, ปัญญาาพอมองเห็นนี้ทีนี้ไอตัว สรบปตรงนี้หน่อยไอตัวปะปัญจะสัญญาเนี่ยคำว่าปะปัญจะสัญญาสังขารสังขารศัพท์นั้นแปลว่าส่วนคำว่าปัดปัญจะสัญญาเนี่ยมันได้แก่สัญญาที่ประกอบด้วยกิเลสเนื่นช้าสัญญาที่ประกอบด้วยกิเลสเนื่นช้าคือตัณหาประกอบด้วยกิเลสเนื่นช้าคือมานะประกอบด้วยกิเลสเนื่นช้าคือทิฏฐิไอกิเลส เหตุเนื่นช้านั่นเองท่านกล่าวโดยชื่อว่าสัญญาหรือประพันจ์สัญญาก็หมายถึงอาการที่มันคลอเคลียพัวพันอยู่กับอารมณ์นั้นมันคลอเคลียพัวพันอยู่กับสีบ้างคลอเคลียผ์พวพันอยู่กับเสียงกลิ่นรสผลิโภัพพ์แล้วก็คิดปรุงแต่งไปต่างๆด้วยแรงของตัณหาด้วยแรงของมานะด้วยแรงของทิฏฐิมันก็ผลักดัน เพื่อสนองตัณหามานาทิฐิคือปรุงแต่งในแง่ที่มันจะเป็นของฉันหรือให้ตัวฉันเป็นนั่นเป็นนี่หรือเป็นไปตามความเห็นของฉันมันก็จะออกรูปออกร่างต่างๆมาแบบพิสดารมันก็ทำให้เกิดปปัญจสัญญาในแง่ต่างๆในแง่ต่างๆนะเยอะหมดเลยตอนนี้ อไอ<ม>คนที่ชอบรถมันไปเรื่องรถเนี่ยไอคนที่ชอบบ้านไปเรื่องบ้านไอ <t ell> คนที่ชอบเพชรไปเรื่องเพชรคนที่ชอบทองไปเรื่องทองคนชอบที่ดินไปเรื่องที่ดินใช่ไหมไอมันติดในเรื่องไหนมันไปเรื่องนั้นแหละ <t ell> ไปเรื่องเสื้อผ้าไปเสื่อผ้าไปแต่งตัวไปนวดไปมันมันไปมันหมดแหละเห็นไหมเห็นมันมันเป็นแง่ต่างๆส่วนต่างๆนี่เขาเรียกปันจ่าสัญญาสังขารไอสังขารศัพท์นั้นแปลว่าส่วนต่างๆมันจะไปข้มันอย่างนี้ แล้วมันถ้ามันมันชอบแง่เดียวกันมันก็ไปตามกันนะยล้งไปแตกแง่เล็กๆน้อยๆอีกเห็นไหเห็นความวิจิตของมันไหมทีนี้เวลามองอะมองบุคคลทั่วไปแล้วมองตัวเราให้มองเจาะไปเห็นตัวปัญจัดสัญญาในกระแสความคิดของเขาที่มันมันถูกเก็บไว้ ถูกเก็บโดยด้วยตัรหาด้วยมานะด้วยทิฏฐิไอปปัญจะสัญญาในแง่ต่างๆตื่นขึ้นมาเขาไปแล้วนี่ไปทำงาน <c oughs> มันไปเหมือนเดิมมันใส่ชุดนั้นบางชุดนี้บ้างไปยังไปยังได้เขียนกลับมาอีกแล้วยังไปมันไปทำมันอยู่อย่างนั้นแหละแล้วมันก็จะมามาอวดมาคุยให้เราบางมันมาคุย มันไปสร้างนะาจาักรอะไรมามันมันมันพกคอเคลียพัวพันกับลมนั้นใช่ไหมมันก็ทําปรุงแต่งไปเรื่อยเราก็จะได้เห็นว่าเนี่ยนั่งรถนั่งอะไรเขาไปเนี่ยเขาถูกไอ้ตัวเนี้ยกระตุน้นถูกสัญญาตัวนี้ปรุงแต่งจิตของเขาตลอดหยุดไม่ได้หยุดคิดไม่ได้หยุดการกระทําไม่ได้ขนาดตาจะตายอยู่แล้วยังหยุดคิดสืบต่อสร้าง วางทายาตเขาเรียกว่ามันเหมือนในเวลาผีแล้วคนเป็นปอบอเวลามันจะตา ย, ยมันสืบทอดให้ลูกหลานมันจะสืบทอดนะ <c oughs> ส, สืบทอดแม่สืบทอดพ่อมันสืบทอดเอมันก็ไอตัวนี้ตั้นหามันทิฏฐิมันก็สืบทอดสร้างเพืออพ่อสร้างทุกข์สัตว์สร้างสัรคาเราคับ มันมันเวลาเราเห็นผลผลิตของปปัญญาสัญญาเนี่ยมันจะเห็นเต็มไปหมดเลยที่มันเต็มไปหมดแล้วแล้วหมู่สัตว์ก็ถูกผักออกมาแสดงอากัปกิริยาต่างในส่วนต่างๆในมันปรุงแต่งในแง่ที่มันจะเป็นเป็นของชั้นเลยในแง่ตัวชั้นเป็นนั่นเป็นนี่หรือในแง่เป็นไปตามความเห็นของมันมันผักตลอดมันชอบอะไรมันจะทําอะไรมันแต่เต็มไปหมดเลยเห็นนี่ยังย้ำจีบเห็นนี่ยัง และเราเราก็เป็นถ้าเราไม่ไม่ไม่ไม่สกัดมันหรือไม่หยุดถ้าไม่หยุดการทํางานของมันยังไปคลอเคลียกันมันอยู่สัญญาที่ประกอบด้วยกิเลสเนื่องช้าคือตถาหามะนะทิติเนี่ยที่บอกว่ามันคลอเคลียโพพันอยู่กับรมถ้ามันคลอเคลียโพพันกับเรื่องอะไรมันอยู่กับเรื่องนั้นเครียดเรื่องนั้นทุกข์เรื่องนั้นสุขกับเรื่องนั้นอยู่นั่นแหละไปไหนมาไหนไม่ได้วนๆอยู่นั่น แล้วมันไม่ได้ให้ความรู้อะไรนะวนมันเหมือนความรู้เพี้ยเลยนะอีกทั้งจะค้นคว้าเรื่องอาหารเรื่องน้ำเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันวนอยู่นี่ใช่ไหมมันวนวนว น, วนคิดมันเหมือนความรู้ขึ้นมามันเหมือนเป็นความรู้เลยนะแต่ไม่เคยเป็นอประตูในการเดินออกเหกก อ, องทุ น, นตายโดนมันโดนมันเบียดเบียนจนตายมองมองเห็นนอย่างเดียวแชนตาเห็นอย่าง น, น, น, า น, างนี้เราจะได้สะเทือนใจ ว่าโอ้โหขนาดนี้เลยเราไม่เคยมองเชิงลึกลงอย่างนี้สักทีนั่นต้องมองเข้าไปเห็นดูภายในที่ถูกผักออกมาให้ได้ให้เห็นให้เห็นตันหาทําหน้าที่มานะทําหน้าที่ทิฏฐินั้นบวกกับสัญญาที่มันจําเข้าไว้นั้นพร้อมที่นั่นจะได้เหตุปัจจัยขึ้นมาปะทุกออกมาตัอดตอนนี้เวลาใครมานั่งมานั่ ง, ม า, งมาหาอนะไรต่างฉันเห็นเลยเห็นเห็นแล้วมันตื่นเต้นตื่นเต้นว่าเราจะต้องออกจากมันใได้ หมูสัตว์ที่มันเจ็บปวดดิ้นรนกระเสือกระสนมันตั้งความรู้สึกหนึ่งเขาพูดอีกอย่างแต่เราคิดอีกอย่างเหมือนเหมือนที่ฉันจะไปขึ้นอะดัมพิงกพวกก็มาบีบขานี่หมอบอกโอ้พังอย่าไปขึ้นเลยรับประกันได้เลยเนี่ยความสูงขนาดนี้ความไกลขนาดนี้ว่าเข่าพังแน่นอนฉันฟังว่าผี่ตื่นเต้นเลยโอ้ขอบใจมากเรยตองเตือน เตือนเราคําว่าเตือนในที่นี้บอกว่าวัดวัดศรัทธาเราวัดความเพียรเราวัดสติวัดสมาธิวัดปัญญาถ้าประเภทศรัทธาตา่ำๆความเพยียรต่ำๆสติอ่อนแอทั้งหลายเลอะเลือนเลยนะเจอแค่คําพูดแค่นี้โอ้โหนึกในใจแต่เราไม่ตอบคนฟัง ang, นึกในใจโอ้โหนี่ยเป็นเครื่องวัดแล้วก็บอกว่าเอาไมล่ละจะอยู่แบบรอตายก็ได้ ลองให้ให้เหตุผลก็ดูพนะองล่อตั้หาออกมาเออจริงนะให้ตั้นหาออกมาแล้วใช่ไหมเราบอกเออเนี่ยร่างกายเราเกิดขาเราเสียหายไปวไม่มีคนดูแลเราเนี่ยเราจะทํายังไงชีวิตเราเราจะได้เจริญกุศลก็ไม่ได้เจริญกุศลโอ้โหมันฟุดกลับเข้ามาเลยเออจริงด้วยสนับสนุนเป็นแถวเป็นแนวมาเลยนะฉันบอกฉันล้อเล่น แล้วมาปัญญาบอกฉันล้อฉันแก้ล้อเองออกมาโอ้มันวิ่งหนีมันมันอายมันนะมันบอกให้แก้แค่ล้อแค่นี้เองโดดขวดมาแล้วมันก็บอกฉันเห็นมันเนี่ยฉันเห็นมันล้อเรื่องยังต้องไปหาวิธีมากกว่านี้จะจะเล่นกัถ้าจะเล่นกับปัญญาฉันบอกนี่นะไปหาวิธีการนี้ไปเกลี่ยกลองมากกว่านี้ไปเอาแม่มาขอร้องทีเอาใครก็ได้เอาคนมานั่งร้องไห้ให้เต็มไปหมดใช่ไหมเหมือนกับโพธิสัตว์ที่จะคว้กตา ร้องไห้กันทั้งทั้งคอเลยว่าร้องไห้สิท่านว่าไงเอา้าบอกว่าจะให้ไม่ให้ก็โกหกคำวิสาว่าสิท้แต่แค่คำพูดแค่นี้รักษาไม่ได้แล้วจะบรรลุพุทธานได้ยังไงทำไม่ได้สลบอมันเคยสลบมาหลายชาติแล้วมันจะสลบอีกก็ไม่เป็นไรใช่ไหมล่ะลองพูด เ ร, เราพูดลงาทำท่าใจอ่อนอยู่นะมันจะวิ่งพูดมาเลยเราจะเห็นาเห็นหน้าเห็นคาเห็นหน้าตามันเลยนะเหมือนกัะราตรีบอกว่าเหมือนจะตื่นขึ้นไปสวดมนต์จเจริญกุศลมันบอกว่าวันนี้รู้สึกเพียนะนอนสักหน่อยก็ดีอะไรเงี้นะแล้วมันจะมาลงมกันเออสมควรดิฉันบอกวลยจะรู้โอ้โหมันรีบหายไปแลเพียมันไม่มาหรอมัน พอรู้ปุ๊บเนี่ยมันไม่มาเพราะว่าไอตัวนี้มันปรุงแต่งมันเหมือนความรู้มันเหมือนเหตุผลเปี้ยอะไรนะคิดทุกแง่ทุกมุมแต่ก่อนลองสังเกตดูทีตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเวลามันจะไปเที่ยวไปอะไรนี่มันรู้สึกว่ามันไม่เคยมีตัวห้ามตัวยั้งว่าเป็นเป็นบาปเป็นอกุศลยังไงไม่เคยเลยนะคนอื่นไอปัญญาห้ามมันไม่เชื่อปัญญาเลยนะ ปัญญาห้ามไอเขตผลดีๆห้ามมากมายถ้าไปตายขึ้นมาจะเป็นยังไงไปขึ้นเขาไปขึ้นสเก็ตไปต่างๆไปเที่ยวป่าเดินเนี่ยโอ้โหงูเงี้ยวๆขอชีวิตตายขนาดไหนก็ได้ใช่ไหมเพราะชีวิตมันเหมือนเอนี่ยมันเหมือนกับไปไอมเมล็ดผักกาดอยู่เป็นปลายเข็มเนี่ยมันหลุดได้ทุกเวลานะเพราะงั้นจะจุตติปฏิสนธิเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยบอกนะปัญญาเตือนมันไม่ฟังหรอ เพราะอะไรเพราะว่ามันมันมีพลังกว่าแล้วมันเกาะกลุ่มกันมันมีสัญญากระตุ้นเตือนต่างๆโอหมันมัวเมาของมันไปงเงี้ยมันคิดว่ามันยังไม่ตายอเหมือนเราคิดว่าเหมือนเราคิดว่าเออเรายังอยู่เนี่ยแต่ในขณะที่คิดเนี่ยคนตายกันไม่รู้กี่ร้อยล้านทุกขณะทุกขณะหลับตาลืมตาใช่ไหม เนี่ยเอกชุกทั่วเราคิดแบบเนี้ยแต่เราคิดอย่างเนี้ยเราคิดแลามันแล้วรู้สึกว่าเออเราก็ยังไม่ตายสักทีแต่ที่ไหนได้ทุกลับตาลืมตาเนี่ยมีการเกิดการตายการเกิดการตายอย่างฟุบฟุบฟบตลอดเวลาเนมันหวาเสียวจะตายวักเดียวมันก็หมดสถานภาพแล้วชีวิตจะไม่ลแล้วในกรณีแบบเนี้ยไอ้ตัวตัวกุศลพวกเนี้ยมันไม่เคยมีพลังแต่ก่อนแต่พอมันได้อาหารมันมีพลังแล้วนะ่มันจะมีความรู้สึกว่า ไอตัวปัาปันยัดสัญญาหรือกลุ่มตหาทั้งหลายมันอ่อนแอมากเคยคิดอย่างนั้นรึยังว่าเริ่มเห็นความอ่อนแอของอกุศลนี่ยังซึ่งแต่ก่อนเราคิดรู้สึกว่ามันมีพลังแต่มาตอนนี้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอ่อนแอมากเพราะเราไม่ให้อาหารเพราะเราไม่หล่อเลี้ยงเพราเราไม่บำรุงมันอะไรเป็นช่องทางในการตัดอาหารมันเราตัดตลอดเราไม่เคยบ่มเพาะให้มันเลยไม่ว่าตันหามานน่าที่ฐิ แม้มันจะมามาในขณะที่เราเรียนธรรมะเราก็ไม่ให้มันด้วยนะบอกเรารู้ไอมามุมเนี้ยแต่ก่อนฉันฟังสูตรนี้ฉันตื่นเต้นมาเดี๋ยวนี้ไม่ตื่นเต้นนีกฉันรู้แล้วไอตัวนี้มึงแอบมาเรียนยังไงยังมาศึกษายังไงใช่ไหมล้ะเอ้อภดําหลางของพระเจ้าแท้ๆเนี่ยแต่ก่อนฟังแล้วตื่นเต้นแทบตายตอนนี้มันรู้แล้วรู้แล้วอเนี้ยมันพ้นยังไงรู้แล้วมันถอนได้ไหมมันถอนตัญหาได้ไหมถอนมานณ์ได้ไหมถอนทิฏฐิได้ไหมฉะนั้นจริงๆมันคือไม่รู้นั่นเองถ้ารู้มันต้องละกิเลสได้ที่ ราคาโทรศัพทมหาต้องถูกละสิใช่ไหมมันเป็นไปเพื่อความไม่รู้เนี่ไอเ น, นี้ยไ อ, นน อ, นนอปะปนจะสัญญาเนี่ยมันมันคลอเคลียพัวพันอยู่กับอารมณ์ก็ปรุงแต่งไปต่างๆตามแรงของตัณหามาณทิฐิที่ผลักดันเนี่ยเพื่อสนองตัณหาเพื่อสนองมาณเพื่อสนองทิถีแล้วคิดปรุงแต่งที่จะเป็นของฉันอะไรต่างๆแบบนี้ใช่ไหมมันทําให้เราเฉี่ยออกมาชิมานอกทางมัชิมาปฏิปทามันเป็นไปเพื่อความไม่รู้นี่มันเป็นไปเพื่อทิฐิเพื่อมาณเพื่ออวดเพื่ออะไรต่างๆอีกมากมายนี่ เมื่อกี้ฟังพระดำราดของพระพุทธเจ้าแท้ๆเนี่ยจะไม่ตื่นเต้นพอฟังอีกทีเฮ้ยเมื่อกี้ฟังเมื่อกี้ฉันฟังไปแล้วมันมีชั้นดีไหนแล้วใช่ไหมล่ะไอ้เมื่อกี้ฉันฟังไปแล้วนี่มานะชัดเรารู้แล้วฉันรู้แล้วฉันเห็นว่าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยใช่ไหมล่ะนั้นพอเราสกัดมันได้เงี้ยอ๋อถ้าปัญญามันมาชําระมาชําระมันเห็น มันเห็นกิเลสเหล่านี้แล้วมันก็ถอนกิเลสเหล่านี้ตลอดเวลาใช่ไหมแต่ถ้บปัญญาจะเป็นลักษณะนี้เริ่มเริ่มจะสังเกตได้ไหมว่าแม้แต่ทำกิจต่างๆเราก็เริ่มรู้จักหน้าตามันเ อ, อไอ้พวกกิเลสทุกตัวเนี่ยถ้ารู้รู้จักมันเมื่อไหร่นี่ยมันจะไม่มามันจะมาตอนที่มันไม่รู้ใช่ไหมมันจะเกิดลักษณะนี้ นี่นี้พูดถึงในเรื่องของปรับปันอีกอย่างหนึ่งก็คือในพระสูตรสูตรนี้พูดเรื่องเนี่ยจะหมดเวลาพูดเรื่องอายตนะอายตทนะาสิบสองทำที่มีสภาพคล้ายกับว่ามีความพยายามเพื่อจะยังผลของตนให้เกิดขึ้นเช่นไอาจักขายัตนะคือจักรุปราศาสตร์กับรูปเนี่ยที่เป็นเหตุให้การเห็นเกิดขึ้นการเห็นจัดว่าเป็นผล ฉะนั้นไอ้คาว่าอายตนะเป็นธรรมที่มีสภาพคล้ายๆว่ามันจะพยายามเพื่อยังผลของตนที่เกิดขึ้นพยายามให้การเห็นเกิดขึ้นพยายามให้การได้ยินเกิดขึ้นพยายามให้ได้ได้กลิ่นเกิดขึ้นพยายามให้ลิ้มรสเกิดขึ้นพยายามจะรู้สึกต้องเกิดขึ้นพยายามที่จะทำให้การคิดภาพเโนภาพอะไรเกิดขึ้นมันเหมือนเป็นอย่างนั้นเขาใช้คําว่าสภาพเหมือนอายตนะสับนี่หรืออีกคำหนึ่งก็ว่าธรรมที่ทําให้จิตได้เจรสิทให้กว้างขวางเจริญขึ้นแต่ตัวนี้ไม่ดี ก็หมายความว่ า, วาอายตนะเวลามันเชื่อมต่อใช่ไ่าจากครูศ า, ศาสตรกระสีพอเชื่อมปุ๊บเนี่ยมันทําอะไรเกี้ยทำให้ให้อะไรเกิดขึ้นทําให้จิตเจตสิกเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางพอการการเห็นปุ๊บเนี่ยต่อมาแล้วเป็นไงทําให้จิตเจตสิกเกิดทําให้การคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นทําให้เรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายจากการเห็นเนี่ย ในความหมายนี้บางทีเขาจึงมองถึงว่ามันเป็นตัวขยายขยายวัฏตะนั่นเองเอาไว้ว่าที่ที่ต่อกันระหว่างจิตกับอารมณ์เนี่ยเนาะทีนี้่ในที่หนึ่งอยายตนะที่มีความมาทําใดที่มีสภาพคล้ายกับยังผลทุตตนให้เกิดขึ้นเนี่ยทำนั้นชื่ออายตนะเนี่ยในอยนายตนะภายในหกภายนอกหกเช่นตากับสีเป็นอยนายตนะคู่ที่หนึ่งกระทบกันไอ้ตัวจกักรกุปส萨ฏ ก็คือประสาตตากับรูปารมณ์คือสีต่างๆมันกระทบกันแล้วมันก็ยังสภาพสภาพเห็นให้เกิดขึ้นไอสภาพเห็นนั่นเป็นผลที่เกิดขึ้นสืบต่อกันระหว่างการกระทบกันกับการเห็นมันจึงเป็นมีลักษณะที่ว่าเชนั้นนะ่ยประสาทตากับสีซึ่งเป็นอายตนะมีสภาพคล้ายกับยังผลของตัวนี้เกิดขึ้นเพราะว่าตาเป็นสิ่งที่ถ้าตากับสีเนี่ยเป็นสิ่งออันที่จริงแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้มีความขวนขวายพยายามนะ จะให้เกิดการเห็นแต่อย่างใดแต่มันเป็นโดยธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติแต่ว่าเมื่อสีมากระทบตาแล้วก็เกิดการเห็นขึ้นมีสภาพคล้ายๆกับจะยังผลให้เกิดขึ้นผลของตนให้เกิดขึ้นระหว่างตากับสภาพเห็นนั่นแหละเป็นผลเกิดขึ้นมองเห็นการเห็นเป็นผลเวลามันกระทบกันพบเนี่ยมันจึงอายตนะตรงนี้ความหมายตรงนี้มันจึงให้ความหมายว่าเหมือน กับการเป็นความพยายามที่จะยังผลคือการเห็นให้เกิดขึ้นแท้ที่จริงตัวจากคุประสาทไม่ได้มีความพยายามใช่ไหมตัวสีก็ไม่ได้มีความพยายามแต่อจากขุประสาทเนี่ยมันเกิดจากกรรมที่มีตัณหาอยู่เบื้องหลังที่มีความอยากจะเห็นเป็นปัจจัยมันจึงเกิดมาเพื่อมีการเชื่อมต่อกสีเพื่อยังการเห็นให้เกิดขึ้มองเห็นยัง ไอ้ตัวจากครูภาษาตัวนี้เป็นกรรมวชตูปเนี่ยมันเกิดจากอวิชชาก็จากตัณหาเกิดจากอุปาทานเกิดจากสังขาระกิกรรมไอ้เจตนากรรมเหล่านั้นมันเกิดร่วมกับตัณหาตัณหาเล่านั้นมันมีความอยากที่จะเห็นมันเลยปรุงแต่งสร้างตามาจากคระภาษามาฉะนั้นมันมัเชื่อมกระสีปุ๊บมันจึงพยายามให้การเห็นเกิดขึ้นมันจึงเป็นเหมือนพยายามเพราะมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังมีตะกรรมกับมีตัณหานี่แหละมีความไม่รู้เป็นต้นถ้าไม่มี ไม่มีเจกจํจนงไม่มีความไม่มีตัณหาที่อยากจะเห็นจะไม่ได้ตาตาเป็นทุกข์สัตว์เราต้องการได้ทุกก้อนนี้มาเพื่อดูเพื่อเห็นนี่ตอนนี้ได้มาแล้วแล้วก็ได้เห็นด้วยเนี <laughs> ่ยสมกับเจตนากรรมในโลกนี้ถูกเจตนาเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวผลักดันเป็นไปตามเจตนาแต่ยิง น, นี่เป็นสำนวนนะ ไม่ใช่แค่เจตนาอย่างเดียวเนืวเวทนาด้วยสัญญาด้วยสังขารด้วยวิญญาณด้วยกลุ่ ม, รร ก, มรรกุศลธรรมกุมุศลธรรมอาุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้ยที่มันเป็นปัจจัยที่ประกอบปัจจัยเบื้องหลังอีกมากมายเหลือเกินที่เป็นตัวผลักดันทําให้ได้ตามาก้อนแล้วเกิดดับสืบต่อแล้วก็ยัยังการกระทบและการเห็นให้เกิดขึ้นนี่เป็นผลของอายตนะพอจะเห็นไหมยากไหมในที่สองอายตนะกระทําจิตและเจตสิก ให้กว้างขวางเจริญขึ้นหมายความว่าเมื่ออายทานะภายในกับภายนอกกระทบกันก็ทําให้วิถีจิตเกิดขึ้นวิถีจิตที่จะเกิดขึ้นหลายชนิดจิตที่เกิดขึ้นหลากหลายมากทั้งกุศลอกุศลวิบากริยาเยอะมากเลยนะเพียบอย่างยกตัวอย่างเช่นเขียนเนี่ยโอ้ ปัญญาทวารละวชนะจากครูวญญาณสัมบติชนะสันติอะไรนะโวตภวนาโชวนะโชว์นะโชว์นะโชวตาลราน่ยแล้วก so, ็หม <Wow> ุนนี่หลายรอบเลยนี่มันมันทําแล้วก็ไหลลงสู <threshold> ่ทังมโนด้วยนะโอ้จากการกระทบอย่างเดียวนะโหมีผลมากเลยวิถีจิตอย่างกว้างขวางไหลปื๊ด <ultimate> ป <conflict> ื๊ดปื๊ดดอีกหลายพันหลายล้านรอบเลยใช่เห็นนี่นี่มันมันไม่ใช่ว่าพอมันเกิดการเกิดขึ้นติดต่อกันอย่างกว้างขวางสังสารวัตรเป็นยังไง ยืดเยื้อยาวนานเป็นตัวเชื่อมต่อสังสารวัฏเลยอายตนาเนี่ยโอ้โหสังสาระทุกเลยว่างั้นเถอะจากการกระทบจากการเห็นแต่ละคารั้งถ้าเราเห็นอะไรแล้วชอบขึ้นมาลองดูที่โอ้โหมันขึ้นอีกกี่ล้านน่ะกี่ล้านวิถีถ้าเห็นแล้วไม่ชอบขึ้นมามันขึ้นอีกกี่เท่าไรโอ้โหยืดเยื้อมากเลยนะชนวิถีจิตทั้งหลายอลไรเนี้ยเพียบ อยากดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกต้ไม่จบไม่สิ้นบางทีกลับมามาเขียนเขียนต้อเขียนอะไรวะอ่านต่อให้ข้อมูลนี่ให้ค้นคว้าจะต้องรู้มันเลยได้โอ้โหจากการมันมันโดยชิ้นเดียวเนี่ยโอโมาอ่านต่อโอ้โหยอมอ่านจนปวดหัวหมดเลย <c ười> <c ười> ว่างั้นนะเราคิดปรุงแต่งต่อโอ้โหขนาดนั้นเลยเยอะๆไหมเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยมากมายจริงๆจากอายตนากระทบกันเนี่ย ธรรมชาติที่ยังให้จิตเจสิญกว้างขวางเลญให้จิตเจสิญเนี่ยที่มันเกิดลวมๆๆกันมีลักษณะเนี่ยวิธีจิตเนี่ยมันหมุนเวียนหลายล้านทั้งกุศลอกุศลแล้วมันตามมาด้วยอะไรรู้ไหมตามมาด้วยกายธาตุจริญวัตถิธาตุเจริญมโนธาตุจิตกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตมันหมุนเวียนโอ้โหทั้งกุศลอกุศลเกิดอย่างกว้างขวางเลยอนนี้นี่จากอายตนะมันเชื่อมกันกระทบกันเนีโอ้โหเกิดอย่างกว้างขวางมากมายกายกองนะ วัตตะเจเลิศเจริญแล้วคุณมั้งเจริญแล้วเจริญไหมมันเป็นอย่างนี้จากขายาตนารูปายาตนาโสตายาตนาสัทธายาตนาคานายาตนะเอคันทายาตนะชิวหายาตนารักายาตนากายยาตนาปวดภัยยาณาธรรมายาตนะ ไอ้กรณีอย่างนี้เกิดขึ้นในในยะที่สามก็คือว่าเป็นแดนติดต่อนะทาให้จิตหรือวิญญาณหรจิตกับอารมณ์เนี่ยคือสิ่งให้เกิดขึ้นติดต่อกันสําเร็จก็คือจากการเชื่อมต่อแดนต่อเนี่ยการเห็นจะสําเร็จได้การได้ยินจะสําเร็จได้การได้กลิ่นจะสําเร็จได้การลิ้มรสจะสําเร็จได้การถูกต้องจะสําเร็จได้การคิดนึกําอารมณ์จะสําเร็จได้มันมีเป็นแดนต่อ น, นี่แหละ ไอตัวแดนต่อเชื่อมทําให้สังสารวัตรมันไม่ขาดนี่แหละคุณของมันที่ทําให้มันยืดเยื้อยาวนานทําให้ไม่ขาดเพราะมันต่อกันอยู่ใช่ไหมจิตติปฏิสที่ต่ออีกเลยไม่ไม่ขาดเลยไม่ขาดจะทําให้ขาดด้วยวิธีการไม่ฉลาดนี่ไม่มีทางได้ผลมันไปทําเดียูดิไม่ได้ผลอทําไงดีนะ พระเนี่ยมาลองทดลองนี่เจริญกุศลจเจริญเพอฌานสมาบัติได้ข่าดเชื่อดะเลยมันขาดือไม่ขาดหไม่ขาดเลยทำไงก็ไม่ขาดบางคนโอ้โหเครียดเหลือเกินฆนะ่าตัวตายดีบอกว่ า, ไ ม, า, า ไ, มไม่ขาดขาดไหมไม่ขาดแดงติดต่อก็รูปายต น, นะสิ่งที่เห็นประกอบด้ดยการเห็น ก็คือทางทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจทั้งหลายมันเป็นเป็นตัวเชื่อมต่อหมดเลยนะมันต่อกันตลอดเนี่ยทางจักขกูทวารมันเชื่อมต่อลงสูมโมทวารโสตทวารเชื่อมต่อลงมโนทวารมันเชื่อมต่อกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะไม่หยุดเลยอ่าแม้วิถีลงจากวิถีไปสืบเพื่อลงผวังขึ้นใหม่แต่ไม่เคยไม่เคยหยุดการสืบต่อเลยนะ เมื่อวานไปดูที่การเต้นของวัชใจปุ๊บปุ๊บป๊๊เกือบหกสิบปีแล้วมันไม่เคยหยุดเต้นเลยนะเนี่ยถ้าหยุดเต้นคือตายอ่ะดูดูมเต้นปุ๊บปุ๊บป๊๊เต้นตลอดเลยไม่หยุดเต้นเลยจนโอ้โหตกใจเลยตกใจเพียงี้ยเราจะหลับตาลืมตามันเต้นตลอดเงแล้วมันจะเป็นงี้ได้ไงเดี๋ยวก็หยุดหยุดมายุ่งเลยนะอย่ามานั่งคุยๆยกันอยู่เลย หยุดเต้นอะยุ่งเลยแล้วมันหยุดได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยนักจะโอ้ประมาทแท้ยังสนุกสนานอยู่เลยอ่ะเราไม่เคยรู้อวัยวะข้างในมันจะหยุดเต้นได้แป๊บเดียวเองนะฉันก็เข้าใจนะโอ้ยคําว่าชีวิตมันอยู่มันเหมือนกันเมล็ดผักกาดอยู่บนปลายเข็มเป็นอย่างนี้เองมันหลุดง่ายแป๊บเดียวเรื่อพากันหลุดกันรุบๆรุบๆแล้วก็เปลี่ยน แล้วก็วิญญาณหกนาะจากกูวิญญาณโสดต่วิญญาณการนะวิญญาณจิตวิญญาณกายยาิญญาณเป็นต้นเหล่าเนี้ยทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของในแง่ต่างๆนะแห่งปัปัญจสัญญาตัวปัปปัญจสัญญาเนี่ยมันครอบงําย่อมครอบนาบุตรมันจางับแบบปุริสังปัปปัญจสัญญาสังขาสมุทาจรันติส่วนแห่งกิเลส ที่เนื่นช้าทั้งหลายย่อมครอบงำบุรุษผู้ไม่กำหนดรู้เหตุนั้นแหละย่อมเป็นไปแก่บุรุษในข้อนั้นว่าผัสสะเวทนาสัญญาเป็นธรรมชาติที่เกิดร่วมกันจากคุณยาแล้วก็ลำดับนั้นน่ะท่านบอกว่าให้เห็นให้เห็นวิตกเป็นต้นเหล่านี้ ในจิตที่มีวิตกทั้งหลายในลำดับแห่งจกักขูวิญญาณเป็นต้นเหล่านั้นในส่วนแห่งกิเลสเนื่นชาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เกิดร่วมกับชาวนาจิตใช่ไ้ยไอปัวตันหามานะและทิฏฐิถ้าจะเกิดเขาไปเกิดร่วมกันกันกบชาวนาสัญญาที่เกิดก่อนเช่นในวิถีในในจุทาลุวิถีเนี่ย ตัวปัญญาทวารลพชนะตัวจกักขุญยาณตัวสมบติชนะสันตะิเรณนโวทปนะวิถีเหล่าเนี้ยเรามีเห็นสัญญามีเวทนามีใช่ไหมวิญญาณคับตัวจิตก็มีอยู่แล้วสังขารก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมเป็นนามะขันธ์สี่ที่อาศัยถ้าจากักขุญยานก็อาจากักขุปัสสัดเกิดจกักขุปัสสัดก็เป็นรูปะขันธ์ไปแต่ในนั้นน่ะไม่มีตัณหาไม่มีมานะไม่มีทิฏฐิก็้ายยัง สัญญาที่เกิดก่อนอย่างนี้เขาเรียกสัญญาที่ยังบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้ไม่เรียกปัปปัญจะสัญญาแต่พอมาขึ้นโฉนนะปุ๊บมันมีสัญญามาเกิดร่วมกับปัญหากับมานะหรือทิฏฐิตรงนี้แหละเขาเรียกปัปปัญจะสัญญาเห็นยังมันมีอิทธิพลตรงเนี้ยไอ้ตรงที่โฉนนะนี่แหละพราะอาศัยจักขู่อาศัยรูปและภาษาเวทนาสัญญาวิตกชั้นใด เออ ท, นะท่านพระหมหากัจยานะท่านพระมหากัจยนะท่านบอกว่าเออกิเลสสัญญาที่เนื่นช้าเป็นธรรมชาติที่เกิดร่วมกับชาวนาะท่านยึงถือการที่เป็นอดีตและอนาคตบอกว่าคืออย่างนี้อาศัยจกักรครูปภาษาเวทนาสัญญาวิตกชั้นใดท่านพระหมหากจัจยานะก็ฉันเมื่อจะแสดงการเกิดขึ้นของกิเลสสัญญาที่เนื่นช้าในรูปในทางทวารตาเป็นต้นอะไรนี้ ท่านก็จะแสดงบอกว่าท่านจะแสดงบอกว่าไอตัวสัญญาที่เกิดก่อนเป็นสัญญาอีกประเภทหนึ่งที่ยังบริสุทธิ์อยู่แต่พอมาสัญญาที่เกิดร่วมกับกุศลอกุศลโฉนะอันนี้เป็นปปัญจะสัญญาเกิดร่วมกับตัณหาก็ได้มานะก็ได้ทิฏฐิก็ได้ว่ากันไปที่นี้ไอตรงนี้แหละที่มันเป็นตัวปัน่นเรื่องราวแล้วมันก็ มันก็ยังความจําให้เกิดขึ้นเป็นต้นเหล่านี้ดงั้นพระเถระท่านแสดงที่บอกว่าจากบัญญัติพรรษะแสดงพรรษะพรรษาที่เกิดขึ้นเนี่ยในอริยธรรท่านบอกท่านบอกว่าปัญหาว่าเหตุนั้นท่านทั้งหลายอย่าเป็นผู้สงสัยเพราะพระเจ้าพระองค์นี้ทรงถือตราช่างกึศพัญุตยานป ร, ประทับนั่งแล้ว ท่านทั้งหลายผู้ต้องการจะเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเท่านั้นยังควรเป็นผู้หมดความสงสัยความหมดความสงสัยในที่นั้นหมายความว่าอย่างนี้ว่าเวลาพุทธเจ้าบัญญัติบัญญัติว่าที่พูดถึงในลักษณะว่าที่พูดมาก่อนหน้านั้นว่าในขณะที่เวทนาเกิดในขณะที่การเห็นเกิดขึ้นการได้ยินเกิดขึ้นทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ไอตัวสัญญาทั้งหลาย ที่บอกว่าปปันจะสัญญาสัญญาคือการกาหนดที่อยู่ในสัญญาขันเนี่ยคือกดการจดจำทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นตัวสัญญาที่คิดปรุงแต่งที่เป็นอากุศลตัวปปันจะสัญญาก็คือสัญญาที่มันซับซ้อนหลากหลายซึ่งเกิดจากการเสริมเติมต่อให้พิสดารตัณหามาณาทิฏฐิอย่างนี้เรียกว่ากิเลสสัญญา ก็แปลว่าเป็นสัญญาที่เกิดจากกิเลสสัญญาที่ประกอบกับกิเลสที่นี้เป็นต้นสภาพตัวปปัญจะสัญญาสังขารก็คือส่วนแห่งปันจะปปัญจสัญญาที่ประกอบด้วยกิเลสที่เนื่นช้าคือตัณหามานะทิฏฐิเวลากิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นถามว่าผัสสะเนี่ย การประชุมกันของการเห็นเป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้นใช่ไหมเพราะการเห็นเป็นต้นเกิดขึ้นเมื่อการเห็นเกิดขึ้นมีการประชุมกันเกิดขึ้นปุ๊บมาการกำหนดหมายว่าผัสสะยิงมีจากผัสสะแล้วก็มีการกำหนดเวทนาจากเวทนาก็กำหนดหมายเป็นสัญญาสัญญาก็เป็นวิตกนี่เป็นต้นพอมองเห็นนะี่นี่คือส่วนของปปันเจธรรม สมควร